ทำให้มันสม่ําเสมอทำให้เสมอทุกอย่าง่อหละส่วนเหมือนเมธีเนี่ยมาทําวัดทุกวนทุกวันเราแต่จะให้เราเก็บอารมณ์พอเธอกลับแล้วเขาเมชีเก็บอารมณ์ผู้ที่ยังไม่สม่ําเสมอจะให้มาทำวัดทุกวันทุกวันผู้ที่สม่ําเสมอก็คือมันปกติแล้วนี่ใครเขาว่าเรียนบทเรียนอันนี้มันปกติได้มันไม่หวั่นไม่ไหวไม่มีปัญหา แต่คนเดี๋ยวมาบ้างไม่มีบ้างหลวงตาจัดจนกระทั่งว่ามันปกติรู้สึกรับผิดชอบรู้สึกว่ามันไม่ใช่มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ทำไปทำมารู้สึกเอามันปกติได้รับได้เราก็เริ่มเข้าเป็นสู่บทเรียนที่ไปเรียนรู้ตัวเองอันนี้คือการเรียนรู้ตัวเองกับสังคมเนี่ยอันก็จะใส่ใจว่าเออใครคนไหนเป็นยังไงฝึกได้ฝืนได้ท ค, ค น, นเห็นความสาคัญ ไม่เห็นความสําคัญความสําคัญกับความไม่เห็นความสํำคัญนั่คือทิฏฐิมานะ น, นั่นเองอะ่ะมีความรู้สึกว่ารู้สึกว่าน่าจะน่าจะพวกนี้ยเอาให้มันฟันธงตกไปเลยแต่ละอันเนี่ยให้จบเป็นอันเป็นอันไปปัญหาจึงจะกลายเป็นปัญญาทั้งนั้นปัญญามันก็ไม่เกิดเพราะเรามองอะไรก็เป็นปัญหาปัญหาไม่มีความจําเป็นไม่มีความสําคัญอะไรประมาณนั้ เมืทัการมา น, นั่งฟังตัวเองเนี่ยฟังตัวเองนึกตัวเองคิดตัวเองปรุงตัวเองแต่งก็มีประโยชน์ทั้งนั้นนะที่สำคัญคือเอาความพอใจไม่พอใจออกจากจิตบทสรุปของกรรมฐานสิ่งที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อฝึกสติปัฐานสี่ในตำราท่านกล่าวไว้ว่าผู้ใ ด, ดก็ตาม มีศรัทธาในพระศาสนานี้เข้าสู่ในธรรมวินัยนี้แล้วเป็นผู้มีการได้ยินได้ฟังมีการเรียนรู้ผ่านสุตตมยปัญญาแล้วก็พิพจรารณาไตรตรองให้ท่องแท้เป็นจินตามัจปัญญาพอศึกษาเรื่องจินตามัจปัญญาดีแล้วก็เป็นภาวนามยปัญญาคือการใส่ใจ ด้วยการสังเกตอารมณ์ภายในตัวเองเป็นการเฝ้าดูยินตามมิจฉญยาคิดพิดพจารณาน่าจะเป็นตามนั้นนะดูตรึกตามอาการแล้วน่าจะเป็นอย่างเนี้ยก็ลงมือมาปฏิบัติเนี่ยศึกษาเนี่ยเรามาเฝ้าดูดูอาการที่มันเกิดสังเกตดูอทํากลับไปกลับมาเฝ้าดูอยู่เรื่อยการเฝ้าดู การประคยนใสติไม่ไปที่อื่นการดึงจิตมาอยู่กับปัจจุบันการะระลึกรู้เนี่ยเ้าเรียกว่าการอบรมจิตอบรมมันนั่นเนี่ยไม่มันวิ่งไปข้างนอกเพราะจิตตัวนี้มันมีราคะโทสะโมหะกุนหิตหรือดัดกัดเครื่องอดีตอนาคตมากมายนะอยู่ในตัวของมันนะเหมือนมันมีพิษเราก็มาเข้าคอสนะสกัดพิษออกจากใจ แต่เขาต้องจับมันมาให้อยู่กับกายก่อนถ้าเัิดมันก็วิ่งออกไปข้างนอกอยู่เรื่อยเดี๋ยวมันวิ่งไปนอนเดี๋ยวมันวิ่งไปนี่เราก็มาลึกรู้หรือถ้ามันอยู่คนเดียวมันก็เป็นจิตที่เกียดแสหม่องเงาติดอารมณ์นั้นอยู่ที่นี่เราก็ไปฝึกอ้าวพระใหม่ก็ฝึกอยู่ข้างนอกขยันฝึกแล้ลึกรู้ทําความเพียรอยู่เรื่อยๆบ่อยๆกลับไปกลับมานี่เขาเรียกว่าการอบรมจิตไม่เหมือนกับการฝึกอบรมนะการฝึกอบรมข้างนอกเนี่ย ทำในห้องประชุมห้องแอร์ห้องอะไรน่แต่เนี่ยอบรมหมายกัว่าเอาแต่หูเขาอบรมสู่ตะมีปัญญาแต่เขาไม่ได้อบรมถึงขั้นเป็นภาวนามยปัญญาไม่ได้ให้เกิดปัญญาอันนี้แต่เกิดปัญญาจากการได้ยินได้ฟังฟังแล้วก็เข้าใจทําได้บ้างไม่ได้บ้างเนื้อหาสาระก็ไม่ได้ลงลึกนั่นเขาไม่เรียกว่าอบรมมันนั้นเพราะอบรมมันนั้นไม่ได้ถึงเหตุสมุทัยของปัญหาของทุก เราทํากันตื้นๆอันนี้มาเฝ้าดูมันออกไปก็ดึงกลับมาไปก็ดึง g กลับมาอบรมมันมันหุ่นดก็อบรมวนหัวหุ่นดจนหลุดออกไปมันเบื่อหนายก็อบรมจนทั้งตัวเบื่อหนายหายไปเหมือนเรามีปลาเรามาย่างมาอบมารมมีผลไม้มาอบมารมมาตากแห้งเนี่ยมาเข้าเตาไมโครเวฟเนี่ยให้มันสลายดึงเอาน้ําออกเนี่ยพอน้ำหมดปุ๊บมันก็แห้ง มีแต่เนื้อมันล้วนนั้นจิตของเรามันน่าจะมีแต่จิตล้วนๆในตัวเองไม่ใช่จิตที่มีความโลภความโกรธความหลงนะดึงแต่จิตล้ว น, วนดึงออกอารมณ์ทั้งหลายดึงออกความโศกเศร้าเสียใจเพียรายลำบากอดีตอนาคตดึงมันออกดึงมันออกทุกงออกอนุสัยอาสวะทั้งหลายดึงออกดึงออกเขาเรียกว่ากิเลสเป็นน้ํายอมใจ น้ำย้อมสีย้อมจิตเราปกติสีจิตของเราก็ประพัดสอนใจก็เฉยเฉยจิตใจอันเดียวกันนะมันเฉยเฉยเป็นความรู้สึกเฉยเฉยอย่างยงเฉยเฉยแต่เพราะนั้นก็มันเมื่อยมันก็จะเมื่อยเลยมันเบื่ออยู่เบื่อเลยมันคิดก็คิดเลยมันไหลไปตามอารมณ์เลยบางคนบอกว่าเดินจุกมก็ดีทะความเพียรได้ดีพอออกมาไปมอดเลยมันใหม่ใหม่เหมือนผ้าที่เราซัก มันยังไม่สะอาดพอพอมาปุ๊บนะใครพูดอะไรมันซึมเข้ามาเหมือนเดิมเห็นไหมผ้าเราซักใหม่ๆมันจะมารับน้ําย้อมมากคนนั้นว่าคนนี้ไม่ว่าติดอารมณ์ทันยีนั้นเวลาฝึกใหม่ๆหม่เขาให้อยู่ห่างไกลคนก่อนจนกทั่งว่าภาษาพวกย้อมผ้าหรือสีย้อมมันไหม่มันไม่ติดนะมันไม่ติดผ้าย้อมคลามเขาย้อมคลามนะสังเกตนะเวลาย้อมคลามมันไม่ติดก็มีนะเขาบีบเอาสีมันเขาเรียกว่าคลามมันหนี มันหนีหม้อมันไม่อยู่ในหม้อย้อมขายี่เอาจากใบครามสีธรรมชาตินะเดี๋ยวนี้กาลังฮือฮากว่ามันป้องกันรังสีอันนั้นนี่หอมแล้วร่างกายสุขภาพไม่เป็นอันนั้นเป็นนันนี้อย่างนี้นะไม่เป็นมะเร็งไม่ก่อสารพิษไม่ผิวสีดีอย่างชาวบ้านชาวนาเนี่ยเขาใช้ผ้าครามปมตัวแล้วทํานาสีครามนะไม่ใช่สีดํานะสีครามแล้วปักดําทั้งวัดทางวานังวนแต่เขาก็เย็นน่ะ ตัวเขานะ่ยเขาสังเกตไหมบ้านนอกเนะ่ยเขาใช้ผ้าครามแต่ทนานาเน่ะหลังสู้ฟ้านะกางเกงก็เหมือนกันดําๆแต่มันจะไม่ร้อนเขาจะไม่ร้อนเล้กผิวเขาก็ไม่ได้เป็นอะไระสังเกตุเขาคนทั้งหลายทำนานแต่คนไม่ได้สังเกตไม่ได้ศึกษาไม่ได้วิจงวิจัยอะไรอะเดี๋ยวนี้เริ่มตื่นกันว่าเอ้ยทําไมชาวนาเขาต้องใช้ได้แบบนั้นเหมือนข้าวแถวอีสานไม่ใช่ข้าวกขอขอย่ะ ชาวอีตกเขาเขา้าป้องแอวเขา้ามันงัวเนยสันประตองเขาขี่ตมขี่ต๋มเขามันวิจัยตัวมันเองมานานแล้วในภาคอีสานนี่เราปลูกข้าวเนี่ยมันสามารถสู้กับแรงได้มาตลอดเนี่ยการที่ปลูกมานา น, านและชาวอีสานกินมาเป็นปีเป็นพันปีเนี่ยนั่นแหละคือการพิสูจน์ตัวมันคือมันวิจัยตัวมันเอง มันอยู่ได้อยู่ๆเราไปวิ่งตามข้ากอขอดเดี๋ยวนีข้ข 5, ้าวกขอห้ากอขอหกสามเดือนออกผลดีราคาดีต้นแข็งแรงพืชต่าแต่ว่ามันไม่ทนแรงทนหนาวอ่ะอยู่ในภาวะที่น้ำมีตลอดเขาวิจัยเนะ่แล้วเขาใช้ปุ๋ยชนิดนั้นชนิดนี้เขาเราปลูกตามยถากรรมปลูกธรรมดาก็โตของมันอยู่แบบนั้นอะมันดีอะ่ะอ น, น้ำไม่คนมีน้ําใส่ตัวนี้ นะ้านะมีเป็นแบบนี้ใส่ตลอดทีนี้กอขอเนี่ยตอต่นี้ก็อลองเข้าเขาทำปรากฏ ว, ว่ามันออกมาดีไหมดีแต่ดีภายใต้เงื่อนไขที่เขามีแบบ น, นั้นนั้นเวลาเราเอาเอาพันมันมาเนี่ยเราต้องเป็นความโลภเข้าเราเราโลภเราอยากได้อยากได้เข้าวไวๆอยากได้เข้าวดกๆอยากได้เงินจุดสู ง, สงลึกๆเนี่ยอยากได้เงินเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาซื้อคนไขยอย่างพารา เป็นเศรษฐีใหม่กันเยอะภาคอีสานนี่มีรถมีร้านมีโน้ตมีแต่สารพัดนะมันจะวุ่นวายขึ้นเรื่อยเยเพราะคนไม่มีสติไปใช้ของล้ำค่าล้ำสมัยไปซื้อนั่นซื้อนี่มามันจะเป็นแบบนั้นแหละเอาไปมาเราไม่ได้ดูนะไปทำตามเขาเอายีนมาใส่เอาอะไรมาใส่ไม่ได้มีภาคลามแล้วเดี๋ยวนียไม่ดูเรื่องข้าวก็หายไปหมดดี๋ยเป็นกอขอ นั้นเวลาลราปลูกก็ต้องไปซื้อปุ๋ยมาแบบเขาต้องปรับพื้นที่ไปแบบเขาแต่ก่อนนาเป็นยังไงก็ได้นาลุ่มนาดอนนาโคกขี้กระต่ายนาหวานนามีนาหวานถ้าได้นาหวานเป็นนี้ทางภาคเหนือเขามีนาอะไรนานาศักลุ่งหยอดเมล็ดเขาก็มีต่างหากก็มีนั้นมันเหมาะกับพื้นที่ต่ําพื้นที่สูงแต่พอเข้าขอมาเพลือ มีโครงการปฏิรูปพื้นที่ขึ้นมาทันทีเห็นไหมมันไม่ได้สูงไเม่อกเนี้ยปฏิรูปพื้นที่ปรับให้เท่ากันเพราะมันจะไม่ขึ้นสูงไปไหนมันเงื่อนไขมันจะเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาเรื่อยื่อเนี้ยพวกหนึ่งก็อยากกินกับงบประมาณพวกหนึ่งก็มีความโลภอยู่ในตัวเอาไปมามาเฉลี่ยเจอจันมาเจอกันตรงกลางสรุปก็คือความร่มสลายของวิถีชีวิต อุตสาหากรรมกา ร, กรเกษตรกรรมเนี่ยมันจะล่มสลายไปเดี๋ยวนี้นเป็นเรื่องอุตสาหากรรมเข้ามาแล้วในสังคมชีวิตเราเพราะเราความโลภไงความโลภมันก็เริ่มจางไปจางไปมันก็เป็นธรรมดานะลงตากระเบิดว่าอะไรนะเป็นธรรมดาเนี่ยทำอะไรทํานากันสักพักเดี๋ยวนี้เข า, เาน้ํามาให้น้ําเยอะแยะแต่ไม่ได้ทําเพราะอะไรเพราะว่าลูกไปเรียนหนังสือเอามันไปเป็นทนายความแล้ว มันเอาแม่มั น, นพ่อมันมีอยู่กรุงเทพอย่ามันเป็นสถาปนิกแล้วมันเรียนเป็นหมอเป็นครูเป็นอะไรเนี่ยพ่อแม่ก็เริ่มหมดไม่เหนื่อยแล้วที่นี่ส่งเสียมันเรียนอะไรกันนะยังอยู่สะดวกสบา ย, ยางไงก็ไปอยู่ของลูกคนลนไร่นะก็ไม่ค่อยมีลูกทุกวันนี้มาคืออะไรมาทําอะไรมาขายมาขายไร่ขายนาะสวนปอกสวนปอไม่มีแล้วเดี๋ยนีย้หมดเดี๋ยวนี้ลุงตาไปดูงานจริงๆไปดูนะ เขามีงานเกษตรแร์ต้องทากเขาไปปลอมตัวไปปลอมตัวเป็นพระบรร น, นอกต้องใส่เสื้อเหลืองใส่ผ้าสีเหลืองไปผ้ากรรมฐานนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้ผ้าศักดิ์สิทธิ์ต้องผมกรรมดาไม่ได้ปลอมตัวใส่รีวายนะใส่ผ้าเหลืองนี่แหละไปไปดูว่าเกษตรเขามาปุ๋ยแพรอะไรเด๋ยนี้มันไปถึงไหนแล้วรถเขาเป็นยังไงอะไรนะปุ๋ยเขาเป็นยังไงดูนน ดูเขาทำเหมือนกันเขาไปดูดูเวทีเขาดูดูเขาดูดูเขาเป็นก็มีพระนะไม่ใช่ไม่มีนะพระก็มีเราก็มีเขาทําอะไรยังไงข้าวเดี๋ยวนี้เออข้าวอะไรอยเสวรร่ยข้าวหางข้าวหางไปก่อนข้าวเมา ฟั่งได้เจ้าเขาเมาเขาห่างฟังได้นั่งเขาห่างเขาเมาเดือนสิบเอ็ดฝนลงมือห่าพ้ากันต่าเขาเมาไปใส่บาดพะอยากกินไงเข้าถ้าจงเอาไว้เก็บเอาไว้นานๆมันก็ดีเนีย่ยไปตํามากินก่อนเดี๋ยนี้ไม่ได้ตําแล้วเขาเมาเขาไม่มีนะทำไงสีใช่ไหมสีเอาแต่ก่อนพิเรื่องความสามาคัคคีเป็นเรื่องอะไรแต่นะั้นแล้วเป็นเรื่องวัดน ะ, จะเจ้าไปวัดเนะี่ยข้าวเนี่ยเริ่มต้นข้าว เขาแหกเครียดเอาอันนี้มาทําเพื่ออะไรเอาไปวัดมันเป็นน้ํานมเขาไปวัดพอสุกทีแรกเอาสีมาพุกมันพอกินนะเอาไปใส่บาตรพระก่อนแล้วเริ่มขบวนการกินดลเนี่ยลูกขเขาล้านพอกเขาคือล้านนิมนต์พระไปสวดพระไปเตือนให้มีความเคารพในพระพระนี่จะมีนางโพศพประจำอยู่เขาจะบอกเทพระเจ้าแห่งข้าวเขาก็เล่าเรื่องในะนี้พระประเทศสวดมีบุญคุณล้าน เมืองเทศอกเขาในคนอิสานฟังพวกเธอมาคนกรุงเทพมันมีไลสไลัยฉายเนี่ยนียีภาพนั้นวิถีชีวิตเรามันเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะความโลภมันไหลไปนั้นเสื้อผ้าก็เหมือนกันเน่ยเป็นแบบเนื้อวันก่อนลงตาไปในเมืองไปหยิบเสื้อเสื้อนี่แหละจะเป็นเสื้อจะเป็นเสื้อมันน่ะเสื้อไม่ชีเสื้ออะไรเนี่ยเอาซื้อมาจะซื้อนะเขาบอกว่าโอ้ยลงตาอันนี้มันร้อนขาว่าเสื้อมันร้อน เหมือมันซักง่ายเขาเสื้อไปนี้มันง่ายดีอ่ะมันบางๆซักง่ายมันไม่เป็นมันเป็นอะไรเท่าไหร่มันหลายบริษัทเนี่ยเริ่มบอกมาเรื่องคนเหืนเรื่องปฏิบัติธรรมกันเยอะแต่ถ้าใช้ของเก่านะมันดีมันกันในตัวเหมือนกันเนี่ยของโบราณวิถีชิตวัฒนธรรมโบราณโบราณง่ายๆเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์กันกิเลสไปในตัว วิถีชีวิตคนโบราณโบราณเนี่ยเป็นการกันกิเลสในตัวนั้นวัฒนธรรมขนรรมเนียมประเพณีเป็นเครื่องกั้นกิเลสระดับหนึ่งโม อ, อันนั้นมันบาปเดอ้ออันนี้มันคลังเดอ้ออันนั้นไม่เหมาะสมเดอ้อก็เลิกไว้นะมันบาปนะเกินไปนะเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่มีนะกรุงเทพผมไม่รู้นะอะไรบาปอะไรกรรมไม่มีและหลายคนโยนทั้งว่าเฮ้ยไรสาระพวกคนแก่คนเท่าเนี่ยปฏิเสธเรื่องศาสนา เรื่องวัฒนธรรมไปเลยพอปฏิเสธวัฒนธรรมปุ๊บมันมีอีกพุทธศาสนานี่เขามีหลายกองมีหลายกองนะอันหนึ่งวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมนะมีนะเข้ามาปุ๊บกับไปเรื่องศิลศาสต ร, ร์ก็มีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีแต่คนไม่เชื่อเรื่องของวิปัสสนาดูดิคุณเอาระดับไหนคุณจะอยู่ชั้นไหนของพุทธศาสนาจะอยู่ระดับขนบธรรมเนียมแบบชาวบ้านไหม อยู่แบบวัฒนธรรมประเพณีไหมหร hmm. ือแบบอะไรลนะแบบงมงายแบบขลังศักดิ์สิทธิ์ไหมลึกเข้ามาแบบการรู้แจ้งไหมเนี่ยเขามีหมดนั้นได้หลายคนเดินทางลัดตรงเลยอูชุปฏิปโนป ะ, ะกวโตซาวกสังโคเป็นผู้ลัดตรงเข้ามาสู่สัจจะเลยมาฝึกจิตโดยตรงเลยองไม่ได้อยู่อ้อมคอมานัน้นไม่ได้ไปสวดมนต์ไม่ได้ไปทำโน่นทานี่เข้ามาหาใจตัวเองเลย ฉันั้นจิตของเราเองเนี่ยมันจะมีมีสัจธรรมสั จ, จะาธาต์อยู่ในตัวหาธรรมะในหาจากใจตัวเองนะไม่หาจากข้างนอกนะเรามาหาธรรมะเนี่ยมาหาจากใจตัวเองไม่ได้หาจากนอกตัวไม่ได้หาในคัมภีร์ในตำราในนู่นในนี่ไม่เรามาหาจากใจตัวเองมาฝึกฝนมาเฝ้าดูทีนี้การเฝ้าดูเขาก็มีเทคนิค การก็ดูว่าทําไงบ้างบางคนโดยธรรมชาตินะีะมีอะไรเกิดขึ้นก็ปล่อยวางมีอะไรก็เอ้ยไม่ไปคิดมันเลยเนี่ยเขาเรียกว่าการฝึกสติโดยธรรมชาติอันนี้ในหลายคนเขาฝึกได้นะแต่ทุกวันนี้มันรุมเราเขามากนะโดยโครงสร้างทางสังคมนี่มันเปลี่ยนไปเราเริ่มมีและวทางานก็ต้องแต่ก่อนไม่มีโทรศัพท์ก็ต้องมีโทรศรรัพนทะ์ะ ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้อะไรมีเฟซบุ๊กมีแลมีนี่เข้ามานี่ยเดี๋ยวนี้หลายเรื่องต้องมีหลากหลายต้องรู้เรื่องเดีนี้เราไม่ติดต่อเขาเขาก็ติดต่อเราเนี่ยปัญหามันก็เลยเอา้าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีปัญหาก็ต้องเมื่อไปคุยเขาเดี๋ยวนี้เขาคุยเราเราไม่ไปหาเขาเขาก็ส่งอันนั้นส่งอันนี้เข้ามาทางโทรศัพท์เราก็รับรู้แต่ก่อน ตรงแต่เสียงเดี๋ยวนี้มีข้อความหนักเข้ามาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่มีแต่ข้อความแล้วเริ่มเป็นตัวะเป็นภาพขึ้นมานะมันก่อนลงตาไปยืนอยู่ในอะไรคอมพิวเตอร์เห็นเมจีทำํำอา้าวมีรูปลวงตาเข้าไปอยู่ในนั่นเอามันเข้าไปไงเขาว่านี้กล้องมันอยู่ในนี่เอารูปของคนนั้นคุยมาโห้มันเห็นตัวนะเอา้าไปป่นนั้นเนะ ไปยืนอยู่ไม่ได้แล้วเขาจับยัดเข้าในกล้องโพไปโน่นนี่นะ่นั้นโน่อ น, อกนะ น, นก็โผมาอีกเอ้าวให้หลวงตาเทศโอ้ยกูไม่ทําแล้วว่าออกไปางานแล้วไม่เอาถ้าจะเทศมันก็ต้องออกมาแต่งเนื้อแต่งตัวหวีผมก็ไปก่อนมันทําได้เพราะมันมันเข้าไปในนั้นไม่ค่อยดีเอ่ะดีนี้มันไปไกลแล้วนะคนหลา ย, ลายคนสังคมมันไปป่านนั้น ีนี้จะไม่ฟุ้งซ่านมันได้เลยไม่ได้ทํางานคนนี้เดี๋ยวคนนั้นติดต่อม า, เ ด, ดออมาเดี๋ยวเขติดต่อมาเดี๋ยวเซ็นงานเดี๋ยวสั่งงานเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นอยู่แบบนี้มันมจะไม่ฟุ้งซ่านได้หรอือสามวันห้าวันแต่ก่อนอ๋อเราไปขุดไร่ขุดหัวมันขุดนั่นคนนี่มีคนโทรเข้ามาไหมเมื่ดมือกับพ่อหี้นะพ่อหี้นะทําไร่ทํานาดูเสียงเพลงก็ไม่มีดนตรีอะไรก็ไม่เปิดเดี๋ยวนี้มีนะ เห็นช่างเขามาทำงานนะมันเปิดเพลงทางโทรศัพท์นะมีเสียงโทรศัพท์ร้องเพลงอยู่นี่ยนะโอ้วิทยุมันโทรศัพท์ก็เป็นโนมันเป็นหลายอย่างวันก่อนเรานึกว่าฝนจะตกมันคลึ้มได้ยินเสียงอ่อนๆที่ไหนได้กบร้องในโทรศัพท์มันนึ่งว่าฝนจะตกเห็นไหมมันมีมดแเหเนไหมบรรยากาศนะเราก็บอกว่าเฮ้ยรีบไปเก็บผ้าใว่า ฝากไว้เนี่ยมันมืดๆเนี่ยที่ไหนได้พอมันฮัโหลมันก็หยุดร้องป่ะของกูทําไมไม่มีอันนี้บ้าง <g ül> คนของยายพ่องก็มีแต่แอะแอะแอะเสียงไก่เสียงกานั้นเขาไม่โทรมาหาเราเราก็โทรไปหาเขาลูกอยู่ไกลกันขอบฟ้าขาา้ามประเทศเดี๋ยวนี้ยก็เริ่มเห็นกันคุยกันได้เลยวันนี้เอาไปมาความฟุ้งซ่านมันก็เกิดขึ้นนั้น ความสำรวมแต่ก่อนแค่อยู่เฉยๆอยู่บ้านก็สำรวมแล้วได้ฝึกอดนอ้อยคิดถึงลูกจังน้อลูกไปอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดได้ทำไงนะ่ะไปวัดไปวาดีกว่าว่ะเนี่ยไปทำสมาธิเพื่ออะไรเพื่อจะไม่ได้คิดถึงเพื่อผ่อนคลายเขาก็ไปฝึกจิตเนี่ยอยู่ตามวัดตามวาเนี่ย่านเดียวนี้มันไปไกลแล้วความคิดอารมณ์คนเนี่ยไปไกลแล้ว นั่นจะให้มันอยู่เหมือนก่อนได้ไหมไม่ได้มันไหลจใจมันสงบสงัดกลับมาอยู่ปัจจุบันให้เป็นสมาธิมันไม่เป็นแต่ก่อนวิธีชีวิตก็คืออะไรจักตอกสารกระติบข้าวสารแห่เนี่ยมันใกล้ๆเวลาคุยกันวงสังคมมันก็ใกล้ใกล้ตัวมันไม่ไกลมันไม่กว้างนั้นการรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันน้อยเวลาทําสมาธิเขาก็ง่าย แค่มีวัฒนธรรมแบบนี้ก็ง่ายแล้วไปไหนเนี่ยไปฟังเทศตอนเยน็นแปดค่ำสิบห้าค่ำคนถือดอกไม้มาแล้วลงไปวัดไปว่าวางต้นภาะพระคันะเทศให้ฟังแม้จะเอาในเปรลานเทศให้ฟังสตรีสน้อยเนี่ยเรื่องบาปเรื่องกรรมเขากลับไปเขาก็ดีละสังคมเขานะสมัยพุทธกาลก็เป็นแบบนี้แหลนะนางประตับจลาที่ไปฟังเทศแล้วบรรลุธรรม เปลือยไปฟังเทศนะเป็นบ้าเป็นบอไปนะไปฟังเทศเพราะลูกตายเห็นเขาเดินผ่านไปเขาไปตามเขาแต่นั่งอยู่ห่างๆเพราะตัวเองไม่มีผ้านุ่งฟังโมพระียาเทศคนที่แก้ผ้าอยู่หลังเป็นบ้าเป็นไม่นะบรรลุโสดาบันดูดิเพราะบรรยากาศมันเป็นแบบนี้มันเป็นธรรมชาตินะคนมาฟังธรรมก็เคารพธรรมเนี่ยมันสะดวกสบาย มันมาด้วยใจไงทําด้วยใจพอเราอยู่ที่บ้านเอาเทปไปฟังได้ไหมได้นะแต่มันไม่ใช่ทําด้วยใจมันฟังเฉยๆฟังแล้วกระจบไปไม่ได้มีแต่นี่เราเอาตัวเอากายมาทำเหมือนคนบริจาคเอาเงินบริจาคกับคนที่มาช่วยทํางานเนี่ยจะคนอันกันได้จิตนะมันต้องอดต้องทนต้องฝึกต้องหัดแต่จ่ายเงินไปมันจบนั่นเองอุปสรรคแค่การได้เงินมาเนี่ยมันจะน้อยต่อสู้กันเนี่ยความอดความทนได้เงินมาเป็นเเงงินขอราเงินของเรา นะแต่พอบริจาคมันจะน้อยแต่ว่าถ้าเอาใจมาทําเนี่ยมันต้องข้ามความงงดิความโกรธความอึดอัดนะครบรรยากาศบรรจุนานแต่การบริจาคเนี่ยชั่ววินาทีหนึ่งความคิดเนี่ยจ่ายไปจบฉะนั้นคำว่าทานครั้งหนึ่งไม่เท่ากับการรักษาศีลทานร้อยครั้งนะศีลรักษาศีลหนึ่งครั้งรักษาศีลร้อยครั้งไม่เท่ากับการภาวนาหนึ่งครั้งภาวนาร้อยครั้งเนี่ยไม่เท่ากับเกิดวิปัสสนาครั้งหนึ่ง มันก็จะไปเรื่อยๆเรื่อยๆรๆ เ, เ, เ, เป็นขั้นบันไดจริงๆเขาเน้นเรื่องอันนี้แหละนั้นวัฒนธรรมขนบพรรมเนียมประเพณีในอดีตอดีตก็คือเครื่องมือใช้กับคนในอดีตแต่ถ้าคนปัจจุบันเนี่ยมันใช้ไม่ได้เพราะอัตราตัวตนมันสูงขึ้นความรู้ความเข้าใจการยอ่อลอะไรมันเปลี่ยนไปท่ทานอะไรเคยฟังไหมเพลงลุกทุ่งปัจจุบันเนี่ยมันกลืนกับเพลงลุ ก, กลง เนื้อหาสาระมันจะต่างไปมันไม่ได้ลูกทุ่งจ๋าเมืร้อยเปอร์เซนลูกคอลูกเอื้อนอะไรมันผ่านไปเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้คนคนทั่วๆไปในอย่างลูกหลานเรามันเข้าไปอยู่ในกรุงเทพมันก็กลืนกับวัฒนธรรมกรุงเทพระดับหนึ่งงั้มันจะฟังแบบลูกทุ่งเต็มๆเนี่ยมันทําไม่ได้มันจะให้มันเป็นลูกทุ่งธรรมดาไม่ได้เราสังเกตไหมนักร้องที่เป็นลูกทุ่งแท้ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะเริ่มเปลี่ยนไปอ เริ่มเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามผู้แต่งนะเขาแต่งแต่งให้เข้ากับบรรยากาศนั้นเพราะอะไรจะดึงคนสองสังคมเนี่ยสองกลุ่มเนี่ยเข้าหาอันนี้ให้ได้คนนี้ก็ต้องซื้อคนนั้นก็ต้องซื้ออะไรประมาณั น, นเพื่อความสนุกสนานความเพลิดเพลินบันเทิงใจมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนอย่างหนังละครเนี่ยพระเอกคนเดียวนางเอกคนเดียวตัวชูโรงจบเดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องสองสามสี่เป็นคู่คู่เข้าไป ถ้างั้นคนไม่ดูให้มันไม่ดึงใจไม่เร่าใจปัญหามันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าความต้องการของคนสูงทางดานรูปรถกินเสียงเนี่ยมันมากมันมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆบทมันก็ต้องโหดขึ้นรักก็ต้องรักต้องโป้ต้องเปลยต้องอะไรหนักเข้าไปเรื่อยๆเรยๆเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องให้มันโดนไอ้ความอยากก็ให้มันสะใจมี เป็นปัญหาสังคมทำไมมันจะไม่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆเพราะวัฒนธรรมมานั้นเท่ากับสังคมเก่าๆอันนั้นทีนี้เราต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นม า, าตัวเราเองวัฒนธรรมอะไรเดี๋ยวเนี้เราไม่มีปัญญาพอเราไม่มีปัญญาพอเหมือนปลัดสมัยโบราณที่ช่วยพยุงสังคมเยมันไม่ไมีเราคิดอะไรได้มั่งเป็นปิดสนองปิศาธรรมไม่ค่อยมีอ่ะ เขาสร้างละครสร้างนิทานสร้างอะไรมาชักจูงเป็นบทบาทในการเป็นโครงสร้างเป็นเป็นเส้นเอ็นเป็นตัวดึงสังคมนะพอได้สมัยก่อนเพราะทำดีแต่ปัจจุบันนี้หนังละครเป็นเรื่องธุรกิจไปหมดแล้วตามล่าห้า0มืนไม่ดูดิตามล่าห้าหมืนไมลนะยากลำบาก หนังหนึ่งที่หนังเรื่องหนึ่งที่เขากำลังจะเอามารีใหม่เนี่ยคือมหาหินมหาหินเคยฟังไหมเคยดูไหมรุ่นเดียวกับขนศึกเลนะเขาจะดึงมาใหม่เอามาแสดงใหม่มาอะไรใหม่คนพระเอกบวชเป็นมหา แต่น้องสาวโดนฆ่าอะไร เ, น, เนี่ยเขาก็เปลี่ยนใหม่อา้าวยาเสพติดเขามาแทนหนึ่งแต่ว่าเป็นเรื่องอะไรอ่ะสังคมเดน้กกำลังตื่นอะไรเขาก็เอาเรื่องนั้นจับนั้นมาใส่วัฒนธรรมที่จะเป็นเครื่องจิตวิญญาณเนี่ยมันน้อยเดี๋ยวนี้ยมันน้อยหนังที่รับความนิยมชมชอบวัฒนธรรมที่ดีก็คือตลกนตลกบวกฮามันเหมือนลึกนะเหมือนเขาศึกษาลึก แต่เป็นเรื่องศิลปะการต่อสู้กระนกทำเนียมปรบโบราณแต่เน้นสวยงามมันหมดแล้วยากแล้วเดี๋ยวนี้สิ่งที่จะต้องปะทะกับกิเลสเดี๋ยวนี้กิเลสโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, นมันรู้เท่าทันวัฒนธรรมแล้วนั่นเยหลายคนปรากฏการที่สแสดงออกทางสังคมคือปฏิเสธวัฒนธรรมเลยเนี่ยปฏิเสธวัฒนธรรม นี่วัฒนธรรมไม่เคยฝึกการดืม่มมองรูของขมนี่กินได้แต่ของหวานนี่กินไม่ได้อยากให้ไม่จีเขาต้มให้ทุก ว, วนันแต่ก็กลัวเสียเวลาเขาเอาไหมหลายๆคนเนี่ยโ้ยหนูเป็นห่วงลุงตานะผมตทาตาลุงตามาช่วยบวชต้มน้ำให้หน่อยสิเอามาช่วยรักษาหน่อยดิมาอยู่ด้วยกัน ตกลงกันก็ได้เอาคนละเดือนก็ได้เอามันไม่ว่ามันก็ว่าไปงั้นแหละเดี๋ยวนี้กิเลสมันสูงขึ้นมันโตขึ้นมันแก่ขึ้นมันกล้าขึ้นสิ่งที่มีในพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นอาวุธลับแต่ก่อนข้าถาสวดเขาก็กลัววัฒนธรรมเขากลัวเดี๋ยวนี้มันไม่กลัวแล้วเราจะต้องดึงเอาสัจจะนะเอาปรมัถธรรม ไม่ใช่ขนธรรมประเพณีทำวัฒนธรรมไม่เอาละเอาปรมัตถธรรมมาสู้กับมันเนาถ้าให้ละอายมันไม่อายเหรอมันไม่เอกูจะฝึกสติดิ้กูจะเอาหินิโอตะปะออกมาคลอดออกจากการรู้แจ้งนั่นคุณธรรมทั้งหลายต้องออกจากปรมัตถธรรมออกจากการฝึกสติต้องให้มันคลอดออกมาจากนั่นนะสติก็ไปต้องเป็นสติจริงๆนะสติเกิดจากการรู้แจ้งนะถ้าสติแบบ สมัยก่อนสติแบบสันทาญานสติแบบทำอะไรก็มีสติละอายน้อยๆมันไม่พอมันสู้กับยีเดศไม่ได้มันไม่ได้แล้วนั้นคนทั้งหลายเขามองมิติของพุทธศาสนาใปัจจุบันเนี่ยมองแบบสติแบบดเดิมแบบความรู้แบบดเดิมแบบความมัวม่าแบบเดิมๆเมื่อแต่พระสอนเนี่ยเขาก็มองพระแบบภาพลักษณ์แบบเดิมดงเดิมแบบความรู้เนี่ยเคยอ่านมาแล้ว อะไรประมาณเนี้ที่จริงเรามาฝึกสติซะดังนั้นพุทธธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนแก่นของสัจ ธ, ธรรมแก่นของสัจ ธ, ธรรมก็ได้แก่การรู้แจ้งวิปัสสนาในการทําลายกิเลสทั้งหมดเนี่ยมันจะทําลายหมดเลยที่อยู่ในใจแต่เริ่มต้นเบื้องต้นเนี่ยเขาจะเริ่มจากการฝึกสติฝึกสติทีนี้การฝึกสติก็ฝึกสติจากสติธรรมดา จากสติแบบสรัญรชาตญาณเนี่ยได้ลึกรู้ไปเนี่ยพารู้กําหนดรู้เนี่ยให้เป็นสติแบบปัญญาญาณถ้ามันไม่เป็นปัญญาญาณมันทํางานดับกิเลสไม่ได้เราต้องให้มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, ต น, ตนสติมันต่อเนื่องขึ้นมันเป็นสภาวะธรรมที่อย่างที่เราเรียกว่ามาเจริญสติเนี่ยมาเจริญสมาธิเนี่ยเนี่ยทีนี้มันไม่เจริญเนี่ยบางทีบางคนไม่เข้าใจมาเจริญสติก็มาอยู่กับความสงบซะเจริญสติก็มารักษาศีลซะ ธรรมะมันก็ไม่เจริญนั้นมันไปดับทุกได้ไหมไม่ได้ก็ต้องมาเรียนรู้มาทําความเข้าใจภิกษุตั้งหลายธรรมะตั้งแต่อายุสามสิบห้าปีจนแปดสิบปีเนี่ยสถาคตสอนเรื่องเดียวสอนเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์นี่สอนให้รู้จักทุกข์กับวิธีดับทุกข์ไม่ได้สอนเรื่องอื่นไม่ได้สอนเรื่องตายแล้วเกิดไม่ได้สอนเรื่องตายแล้วสูญไม่ได้สอนชาดนี่ชาติหน้า กูพุทธิย่อไม่ได้พูดเลยแต่พวกเราพูดกันเองเกจิอาจารย์นุ่นหลังหลังเนี่ยเอาเก็บเข้ามาแล้วพูดนั้นเราก็ฟังแต่เรื่องตื้นตื้ น, นที่มันกล่อมประสาทก่อนหูเราแต่ละเราไม่ได้เข้าถึงแก่นสัจ ธ, ธรรมสิ่งที่พุทธิย่อพูดแล้วสติปฐานสี่ที่บาท CNC 5. 5. 5. สี่อินทรีห้าพละงห้าสมัตประธานสี่โคตรชงเจ็ดอะไรีมากมีองแปดเขาเรียกว่าโพธิปัจจียธรรมสามสิบเจ็ดประการแต่จริงๆคืออันเดียวกันนะแต่ละอันแต่ลอันเนี่ย สติประธานสีกับอินสี่ห้าอันเดียวกันสถิติประธานสีกับมร์แปดก็อันเดียวกั น, น, กกก อ, น, กนอะไรก็เป็นอันเดียวกันแต่พูดคนละแง่และ ม, มุมคนละแง่และ ม, มุมประเน้นเรื่องนี้เรื่องความเพียรเน้เ น, นความอดทนแต่จริงๆก็คืออันเดียวกันนั่นแหละเป็นอันเดียวกันแต่พูดต่างกรคำต่างวาระพูดกับคนเนี้ยมันเป็นเด็ก เก็พูดแบบเด็กๆหนูจำไม่กวาดซิรู้สึกตัวไหมเนี่ยนะทําไปเรื่อยแต่พูดอีกคนหนึง่งเอาพูดแบบอภิธรรมพูดธาตุพูดขันพูดอายตนะเนี่ยแต่พูดคนนึงเอาตรงเล่านิทานนิทมมาเลยประกอบเรื่องเอาปัญจวัคคีย์เขาเน้นเรื่องการทรมานตัวเองปัญจวัคคีย์เนี่ยทรมานตัวเองถือว่าดีพุทธภาพการทรมานตัวเองมากๆ จะเท่ากับการตามใจมากๆการมาสุขการนิการุโยกการตามอารมณ์ตัวเองตามใจกับกอัตกิริมฐายกเท่ากันนะ่ะนั้นเราต้องอยู่กลางกลางตัวกลางคืออะไรทําใจให้เป็นกลางกลางกลางก็คือไม่ทรมานตัวเองกินพอประมาณดื่มพอประมาณแล้วมาบําเพ็ญเพียรทางจิตไม่ใช่บาเพ็ญเพียรทางกายเนี่ยปึ๊ นนัน้ฟังพูดกับปัญจวัคคีย์ก็เป็นอีกแบบนึง่งนะพูดกับพระสารีบุตรก็เป็นแบบหนึง่งพูดกับพระโมคคัลลานะก็เป็นแบบนึง่งกับภาหมที่ถือต้นถือทั่วก็เป็นแบบหนึง่งแต่จริงๆก็คืออยากให้กลับมาสู่ความเป็นจริงของชีวิตนี่แหละปล่อยวางสมมติภาวะทั้งหลายอัตราตัวตนทั้งหลายเนี่ยให้มันลดมันละดังนั้นเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยมั่นใจแค่ไหนว่าเราใช้ปรัตญธรรมมาต่อสู้กับกิเลส ไม่ได้ใช้เราเรียนแต่ศีลและธรรมเรียนแต่ศีลและธรรมเขาไปปฏิบัติธรรมก็เรียนเรื่องบาปเรื่องการการกำหนดรู้นี่ทำน้อยๆไม่ได้ใส่ใจมากมายหลากหลายแต่นั้นสติสัมปชัญญะมันทำงานดับกิเลสมันมันก็ไม่ค่อยเห็นผลเด็มันไม่ได้เห็นผลจริงจัหรื อ, อยังมากคดมวนภาประเทศสักน้อยพอเป็นพิธี ถ้ามันจะออกเหลือกิเลสหาปัญญาหยาบปานเนี่ยกิเลสมันหนาปัญญามันหยาบในจิตเราเนี่ยพูดเห็นความคิดเข้าใจอารมณ์ไม่ได้มันไม่ลึกพอถ้าพูดมากกระทบรู้สึกว่าเจ็บนั่นเนี่ยเป็นทุกข์นั่นกระทบก็ทั่งเหยียดหยามเสียดสีนะ่นเนี่ยนะต้องพูดไกลๆตัว น, น้อ น, นมันก็ไม่เห็นดิกิเลสไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องตัวเราเองแต่เนื่องจากว่าตัวตนของเราใหญ่เกินไปอ่ะ ตัวตนมันใหญ่มันครับฟ้าเกิดแม้นพูดไปทางไหนก็ไม่ได้อ่ะมันถูกเราหมดเนี่ยเขาต้องบอกว่าคนจะปฏิบัติธรรมคนนั้นต้องมีศรัทธาก่อนมีศรัทธาไหมยอมไหมศรัทธาเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในหลักของสติว่าดับทุกข์ได้จริงๆเนี่ยแล้วมีความตั้งใจที่จะฟังไหม ถูกกระทบกระทั่งเสียดสีดูด่าว่ากล่าวมันไม่ได้กระทบกระทั่งเสียดสีเขาพูดตามหลักของสัจจะแต่ว่าจิตเราเนี่ยมันรับไม่ได้มันโกรธมันเกลียดมันชังมันดื้อดัดขัดเคืองมันรับไม่ได้ต้องมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิระดับหนึ่งถ้ามีศรัทธา เ, เฉยๆได้แค่นี้กระทบหลุด ไม่ได้อย่างพวกเรานี่ศรัทธาสูงเอาทําไงล่ะมาปฏิบัติธรรมศรัทธาไม่พอมาปฏิบัติธรรมก็มีวิริยะเอาพอท่านพูดมามันไม่ถูกใจมันอึนดัดมันงงนิดไปทําอีกกลางวันเนี่ยทําทบทวนปฏิบัติกลับไปกลับมามันจริงหรือเปล่าเนี่ยไปย่อยคําสอนนี้ให้หมดฝึกฝนทบทวนตั้งใจทํามีวิริยะคือทําให้มันต่อเนื่องไงกล้าสูนะ้กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเอง เปลี่ยนที่เรานะทุกอย่างเปลี่ยนที่เราถ้าจะเปลี่ยนสุขเปลี่ยนทุกให้เป็นสุขเนี่ยเปลี่ยนที่เราเปลี่ยนที่เราเปลี่ยนทุกให้เป็นสุขเปลี่ยนความไม่เข้าใจให้เกิดความเข้าใจเปลี่ยนเวทนาเป็นปัญญาเนี่ยเปลี่ยนที่เราเราต้องมาเฝ้าดูตัวเราเองเนี่ยเนี่ยบอกว่าไอ้ทุกเนี่ยคนทั้งหลายไม่รู้นะมาปฏิบัติธรรมไม่รู้ว่ากูเป็นทุก นั้นเวลาปฏิบัติทําแล้วรู้สึกทุกข์เหมือนทรมานะเอ๊ะทำไมอธิบัติทําแล้วทุกข์จังอะไรประมาณนะี้มีพยาบาลเขาบอกโอ้ยมาได้สามวันนะว่ารีบกบลับเลยทีนี้มีคนไปคุยกับเขาเรื่องวัดสมนะเขาโอ้ยจะพูดให้ได้ยินนะวัดนี้นะรอดตายไม่ได้กบุญแล้วนะเนี่ยเขาวโอ้ จะได้ไม่ได้ฆ่ามันให้ตายซะก่อนปล่อยออกไปเพราะมันจะไปเผยแพร่ความโง่มันไปเรื่อยๆนะเนี่ยเผยแพร่พันโง่เกิดมันได้ผัวมามันก็จะเผยแผ่ความโง่ให้ผัวมันอีกแหละให้เมียมันอีกแหละประมาณนี้ยมันโง่มก็โง่ไปเรื่อยๆเนี่ยนั้นต้องฝึกต้องฝืนไปอยู่ทั้งโลกฝึกฝืนไหมมันต้องฝืนเหมือนกันอะมีใครบ้างอ่ะไม่ฝืนเพราะมันต้องทวนกระแสของความเป็นอนิจจัง ทุกอย่างมันคืออันนี้จังะคนมีอัตราตัว ต, ว ต, วตวนแบบนี้อยู่กับใครก็ยากลําบากนั้นเรามาสลายมันสรางด้วยพุทธธรรมพุทธธรรมอา้าวสติปัฏฐานสีสติปัฏฐานมันเป็นสติปัฏฐานหรื อ, อยังนี่ยังนะสติพอประคองตัวเองได้เฉยตอนที่ท่านมาอยู่นี่ก็มีบ้างไม่มีบ้างลืมบ้างรู้บ้างแต่ออกไปนี่ลืมหมดออกไปนี่นะสนุกสนานเปิดเปิน่น ตามกระแสเลยท่านจะลงไปในกระแสของความคิดหมดตัวเลยเนี่ยน่ากลัวนี่ยกระแสปากเรียกร้องกินมันเข้าไปการกินการดืม่มการหลงตนลืมตัวความสนุกสนานเพลิดเพลินเข้าไปในอบายามุกอบายามุกทันทีเลยอย่างตัวเล็กๆเกนี่ยมันก็ว่าดื่มเหล้าแล้วเนี่ย ดื่มเล่าแล้วมันจะเข้าเป็นอบาัายจะมุกแล้วตัวเล็กๆ ก, ก็ตกลงไปในอาวาัยวะภูมิแล้วตั้งแต่ตัวน้อยๆนะเราต้องฝึกใหม่เรียนรู้ใหม่ชีวิตเนี่ยไม่มันพลาดนะเอาความมินความเมาความนก็ด้มาใส่ตัวเองไม่เอาละปล่อยมาละวางมันละเรียนรู้ไหมตั้งสตินะตั้งสติฝึกสติสติให้อยู่กับฐานเลยเนี้ย อยู่กับฐานกายรละลึกรู้กายเอาอน้งหน่วยสติรละลึกรู้กายระลึกรู้กายกับลมหายใจกับเป็นอาการกายท้องเป็นอาการกายเดินจุกมกับเป็นอาการกายยกมือกับเป็นอาการกายอาการสามสิบสองเนี่ยให้สติอยู่กับกายนี้แต่อย่าไปอยู่กับลูกแก้วอยู่กับลูกทองคําลูกกขาไม่ให้ไม่ดูดออกไปไม่ได้อยู่กับพระพุทธรูปไม่ได้อะไรนะอนุสติสิบไม่เอานะ เกศินสิบไม่เอาอสุภะสิบไม่เอาเนี่ยสามสิบแล้วนะเนี่ยแต่ตุท้าตัววัฏฐานสี่แล้วเนี่ยอ่านี่ปุคุณสญญาหนึ่งเป็นสามสิบห้าแล้วเนี่ยคือพวกข้างนอกเนี่ยอะลึกถึงอะที่ไม่ใช่กายตัวเองเนี่ยเขาไม่เรียกว่าจะทําให้เกิดวิปัสนานั่นเขาเรียกว่าเอาบัญญัติเป็นอารมณ์ เอาสมมุติข้างนอกเนี่ยเป็นอารมณ์ไม่ได้ให้เอาแบบนั้นเนี่ยให้เอากายเป็นอารมณ์รู้กายเนี่ยแต่ไม่ได้หมายว่ามันจะมีอะไรข้างในเลยนะลูกแก้วอยู่ข้างในก็ไม่ใช่พิษนะมันจะสงบเฉยเฉยสงบแล้วมันไปข้างหน้าไม่ได้ทัานพอไปไม่ได้ไม่ได้ไไดเขาก็เริ่มนะวิชาอะไรล่ะวิชามาหาละรวยเกิดขึ้นแบบนีน้เนี่ยดังนั้น สติปัฏฐานมีสี่เท่านั้นเองคุณจะชอบมาไหนไม่ชอบมาไหนก็ทำคุณต้องฝึกสติมันไม่มีวิธีไหนจะมหายาณหินายานมาจากอัลประเทศจะ ก, กีลทตินิกายก็ตามพุทธศาสนาเนี่ยเขาให้รู้สึกตัวจํามาไว้เลยไปทําอะไรก็ตามจะรู้สึกกับอะไรก็ได้แต่รู้สึกกายนี่นะเลยลึกมู้กายเนี่ยยืนเดินนัง่งนอนคุยเหยียดทําอะไรให้เลยลึกรู้สึก รู้สึกกับกายเขาเรียกว่ากายานุปัสสนาถ้าเลยลึกรู้กับจิตเลยเนี่ยมันยากนั้นที่โดดเด่นหน่อยก็คือนั่งเฉยเฉยอย่าขยับขยื่นดูดิไม่ต้องเมื่อยนั่นเมื่อยนี่แล้วดูลมหายใจเขาเรียกว่าอาณาปานสติสติแล้ลึกรู้อยู่กับลมหายใจถ้าลึกอยู่กายนี่เขาเรียกว่ากายาคตาสติมันเนี่ ย, ยแล้วลึกรู้มันก็มีในหนังสือนี่นะเนี่ยหนังสือเนี่ยมีหลักฐาน เอายกมือนี่มาจากคําไหนก็มีเนี่ยอโลกิเตสัมมินจิเตปัสาริเตสัมปัญญการิหูติเขาก็จะบอกให้ระลึกรู้การยืนการเดินการนั่งการนอนการคู่กันเหยียดกายวิบากการนั่งนุ่งสะบงทรงจีวรการไปการหลับการตื่นการพูดการนิ่งการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยเห็นไหมสามารถระลึกรู้เป็นสติได้ตลอดระลึกรู้ถ้าเรามีสติรู้เป็นสติปัฏฐาน เราทำงานอะไรถ้าเรากำหนดรู้ไปด้วยเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมนะแต่ถ้าเราทำแต่งงานไม่ได้มีความรู้สึกตัวไม่ได้ใส่สติกำหนดรู้เข้าไปเาเรียกว่าทำแต่งานนะทำงานแต่ไม่ได้งานทำงานต้องทำสองงานน ะ, ะทำไปด้วยกันสองอย่างมีค่ายิงถ้าจะเปรียบก็เหมือนคนฉลาดยิงนัดเดียว นัดเดยวอะไรนะเขาว่าคนตายจําไม่ได้ได้ยินแต่หลวงพ่อบุญธําท่านพูดไปไหว้คากรอนั้นเลยลึกรู้ไปด้วยตื่นมากับทางานไปทํางานก็เลยลึกรู้ไปเดินไปก็เหมือนเดินจกลมทําอะไรก็ทำนึกดึงกลับมาแต่ดีดึงกลับมาแต่ดีดึงกลับมาแต่ดีไม่อยู่กับปัจจุบันนี้เลยเๆถ้าจะให้ดีก็คือเข้าสู่ระบบเทคนิคมาเลยเนี่ยมาทําตามกระ บ, บวนการฝึกสติระ ล, ลึกรู้เอากันตัวเอง รูปรถกินเสียงจำกัดเอาอยู่ระดับหนึ่งให้อยู่ระดับหนึ่งสติแล้วเนี่ยอยู่กับตัวเองเนี่ไม่ให้มันไหลไปข้างนอกกนันเขาเรื่องว่าเรียกไปอยู่ในวัดปฏิบัติธรรมอยู่ในที่สงบสงัดเนืงอาวาดสัพยะสถานที่มันสัพยะสัพยะคือสบายนะอาจจะไม่สะดวกนะสบาย สองบุคคลแวดล้อมสัพยะบุคคลแวดล้อมเอาสัพยะไม่อยู่ด้วยกันสามอาหารสัพยะอาหารก็พอกินได้พอสู้ไว้พอประคองตัวเองเป็นอาหารสัพยะสิกธรรมะสัพยะธรรมะธรรมะคือรูปแบบปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่บีบคั้นจนเกินไปเ่ยเอาให้ยืนทำก็ได้เดินทำก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้การแสดงทำการพูดการคุย มีความเข้าใจเอาตั้งใจทําดีๆอย่าให้มือตกอย่าให้การตกกิเลสมันจะน็อกคองคางเอาเนะ่ะเข้าไปเรื่อยๆมือมันตกมันมวยเนี่ยถ้ายื่นค้างเอ้าไปมันจะเอาขุมตานะ่ะเนี่ยต้องมีภาวะเนี่ยถ้ามันมีความสะดวกสบายพวกนี้มันเกิดยังไงขึ้นไม่กรอนเกินไปไม่เย็นเกินไปประเทศไทยในมอทุกอย่างเลยเนี่ยเหมาะมากที่ปฏิบัติทำเนี่ย บุญกุศลอะไรในประเทศไทยก็เหมาะนะความร่ำรวยอาหารการกินในประเทศไทยนี่เหมาะไม่มีประเทศไหนแล้วที่จะมีดีเท่าประเทศไทยเนี่ยนะตั้งแต่อาตมาไปมาในข้็เท่าไหร่เนี่ยสองประเทศประเทศไทยกับประเทศลาวโอลาวก็ดีนะประเทศไทยนี่ถือว่าดีอ่ะประเทศไทยดีว่าดีมากดีมากอีกสักสี่ห้าปีประเทศไทยเนี่ยห้อง ยืนอยู่แถวหน้าได้เป็นศูนย์กลางทุกอย่างเลยแหละทุกอย่างเลยนะเวลาเขาบินมาเอา้จาจเมีกาปุ๊ม า, จ, าจะกิดอะไรนอนดอนฝรั่งเศสปุ๊บผ่านประเทศไทยไปออสเตรเลียเนี่ยจอดไปเติมน้ํามงนมันอยู่อย่างเงี้ยเส้นทางกรุงเทพนี่นะมันง่ายง่ายกว่าที่อื่นสะดวกสบายข้าวเต็มในนี่นนะอะไรก็อยู่ในนี้ตลาดกรรมะถันก็จะอยู่ประเทศไทยเนี่ยต่อไปเนี่ย จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกอย่างสะดวกสบายนะรถไฟจากไปจีนเหรอเบือเส้นทางลงไปถึงโน่นสิงคโปร์รถไฟนะตอนนี้จากโน่นไซ้ง่อนจากโน่นทะลุมาเนี่ยประเทศไทยประเทศไทยได้ผ่านทุกอันเลยเดี๋ยวเนี้นะโสเพนีก็หลั่งไหลเข้ามาแล้วนะมาจากคาสักสถานมาจาก โซเวียตเนี่ยเริ่มข้็มานะแต่ประเทศไทยไม่ค่อยมีตัวดำๆนะตัวดำๆเอาไม่ค่อยเอามเอาเท่าแริการเนี่ยจะไม่ค่อยมีแต่เขาก็ามีนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศไทยก็เริ่มสั่งปิดอ่างเดี๋ยวนี้เราเริ่มมีแต่มันก็จะออกมาใหม่นะแต่ก่อนไม่เข้าใจลุงดาเคยไปเปิดร้านไม่รู้จักนะนะบาร์เบอร์เนี่ยไม่เคยรู้แต่ว่า บาเบอที่ไหนได้มันเป็นห้องไครห้องมันเนาะบาเบอร์เนี่ยดูจากเจ้าของก็เป็นผู้หญิงเขาพาเดินดูโอ้ยหลงตาบ่าว่าจะตัดผมเลยตัดคูแนวมามาอะไตัดคูแนวหลงตาก็ไม่เข้าใจตัดคูแนวเี่ไม่รู้ตัดยังไงไปอยู่นนั้นเห็นผู้ว่าจังหวัดหนึ่งบินมาผู้ว่านะว่ามาตัดผมมันตัดไก่แท้เราไปเจิมไปเปิดนะผู้ภาเพ้นเขมาเขามาตัดนี่ มีลูกค้าตัดผมดีจังอลยบาเบอแต่นี้มันพัฒนาไปแล้วพัฒนาไปพัฒนาไปอ่าบนวดเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากอาบนวดกัเป็นแผนเข้าไปกรุงเทพเนาะมีแต่แผนไทยแผนโบราณแผนนู่นแผนนี้มีหลายแผนนะนะสุดท้ายก็ขุนแผนวันดองอิมพิล่าอยไรแบเนี้มันก็เปลี่ยนไปเนะ่ะสังคมไทยจะมีทุกขบวนการในนี้อาหารกับเพียบมากินในนี้ มันดีหมดนั้นถ้าประเทศไทยนะเป็นศูนย์กลางแบบนี้สติอ่อนตายตายจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้วยอะไรด้วยเนี่ยถ้าสติอ่อนย่แย่นะสังคมเราเนี่ยแย่นะ่ะมันสังคมใหญ่แลวที่เผ่าพันธุ์มากมายไม่เหมือนสิงคโปร์นะสิงคโปร์เขาง่ายนะสิงคโปร์เขาง่ายนิวซีแลนด์เขาง่ายเขากาจัดพวก คดโกงช่อลาดอะไรเขาทำได้แต่ประเทศไทยยังไม่เริ่มยากแต่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยเศรษฐกิจดีมาก <c oughs> เศรษฐกิจดีวัฒนธรรมดี <c oughs> ก็เลยพยายามที่จะขนลัที่อะไรนะหนะ้าที่ให้เราบริโภคไงบริโภคนิยมเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะอัตราทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยประเทศในโลกนี่มีเกือบสองประเทศประเทศไทยนี่แข็งนะนะ อยู่อันดับสิบเจ็ดของโลกนะแข็งก็จะดึงออกมาดึงมาเอาไปมาเราไม่รู้เรากาลังสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเรากําลังให้เชื้อโลกให้ความคิดความอยากให้คนเกิดขึ้นนะ่พวกหนึ่งเอ็โอโอ้ยยานะอยานะ้าเนี่ยพวกภาคประชาชนก็นเริ่มเตือนเรื่องเลยแต่รัฐก็ต้องมีความรู้สึกว่าเขาต้องหาเสียงเราคนชอบแล้วคนในโลกนี่คนโง่กับคนฉลาดอันไหนมากกว่ากันคนโงด่ดินั่นคนโง่ก็อยากได้รูปลดกินเสียง อยากไหบ้านเราก็เรียกว่าอยากเจริญอยากเจริญเนี่ยไม่อยากค้นหาปัจจัยภาวะในตัวเองแต่อย่างไรไปตามกระแสสังคมแม้เราอยู่ระบบไหนก็ตามก็เป็นไปเพื่ออันนั้นแลหลายคนเริ่มมาลงทุนเรื่องการศึกษาลงทุนคือมาทําธุรกิจเน่ยธุรกิจทุกอย่างในประเทศไทยเนี่ยแม้แต่ว่าเห็นไหมเวลาจับโจรดังๆได้ระดับประเทศเนี่ยจะไม่อยู่ในประเทศไทยหมดเลย เราพร้อมแล้วหรือที่จะให้ลูกหลานเร า, เาไปแบบนั้นน่ะที่ไม่มีสติสมัมปชัญญะอยู่ในสังคมแบบเนี้ยมันจะยากลําบากเว้นไว้แต่ว่าพวกเราทั้งหลายช่วยกันกระตุ้นให้มีการศึกษาเรื่องสติสมัมปชัญญะสติปัฏฐานสี่นี้กันอย่างจริงจังๆให้มันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่เกิดวันนี้อาจจะเกิดปีหน้าสองปีสามปีขึ้นไป ประเทศไทยทั้งหมทุกหมหาไม่เลยมีการศึกษาสติปัฏฐานสี่มีสถาบันสติปัฏฐานสี่เกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นมากมายหลายนั่นแหละมันจะเริ่มเริ่มในการเรียนรู้มันอาจจะสายหรือไม่สายแต่ก็ขอให้มันมีตราบใดก็ตามที่มีมนุษย์อยู่เนี่ยมนุษย์จะเป็นทุกข์เพราะความคิดแล้วเรื่องสติปัฏฐานสี่จะมีความจําเป็นถ้าฝึกสติปัฏฐาน 4. สีกก่สมบูรณ์มรรคแปดก็สมบูรณ์เป็นอันเดียวกันนะ่ะ มังเป็ดสมบูรณ์พอดจงเจ็ดสมบูรณ์พอดจงเจ็ดสมบูรณ์การหลุดผลก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเหมือนมีเส้นทางอยู่ถ้ามีคนเดินทางทำไมมันจะไม่ถึงต้องยึกต้อ ง, องย่อมถึงเป้าหมายแต่ที่เราไม่รู้จักทางบางทีมาปฏิบัติทำนี่รู้จักทางแต่ไม่ยอมเดินทางปัญหามันเนี่ยเฮ้ยเอาตัวนี้เราไปกูพ่อเร็วพ่อเกลียดทุกเดชจังน้อยก็เศร้าอย่างี้ยน่างหนึ่งมันมาคุยนํา โยมคนหนึ่งมาคุยด้วยวันนี้ว่าโอว่าจะพอเท่านี้แหละนะปฏิบัติธรรมเอา้าพอทำไมวะมันไม่พอหรอกไฟมันเยอะโลกเดี๋ยวเนี้นะมันเยอะไฟมันเยอะจะหยุดแค่เนี้มันไม่ไหวหรอกเดินหน้าต่อไปอย่าไปท้อไปถอยแล้วฝึกแค่นี้ความอยากเรายังเยอะมากเราจะไปใช้ความอยากจะนี้ไปมันเยอะมันไม่พอถ้าปฏิบัติธรรมตั้งใจทาดับทุกร์ดับทุกเลยจบแล้วจบ ถ้ามันยังไม่จบเ้าหมายความว่าอยู่ในภาวะที่ทุกหลุกลานเราไม่ได้หรือน้อยเต็มทีนั้นอย่าง น, น้อยก็คือต้องเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่ได้แต่กําหนดรู้ในน้อยเนี่ยไม่พอสติต้องเป็นสติปัญญาณระลึกรู้กายเอาแจมแจ้งขึ้นมาหน่อยเห็นกายในกายคือสามารถอย่างเราเระลึกรู้เนี่ยระลึกรู้กายระลึกรู้มากก็ามาันเขาเยทั้งว่าว มันรู้ตัวทั่วพร้อมสติโยกกายเองก็เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปทานรู้ตัวทั่วพร้อมทาลายกิเลสจนกระทั่งจิตมันว่างสงบขึ้นมาเห็นความเกิดความดับในรูปในนามได้ทีนี้เอาเห็นจิตในจิตละ่ะเห็นจิตในจิตก็ขณะที่ดูความคิดโดวงอยู่ๆความคิดเกิดขึ้นก็สามารถดับเกิดการรู้แจ้งสามารถเห็นอ น, นิจจังอนัตตาอยู่ในขันห้าได้เนี่ยถึงเขาเรียกว่าเห็นสติปฐานสี่เห็นกาย เรียกว่าสติปัญญาสี่เห็นจิตเนี่ยนี่ทํางไงมันจะอยู่กับนั้นได้ก็ต้องรู้ตัวบ่อยๆบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าบ่อยเข้ามีสองอันทุกข์มันเกิดกับกายอันนี้ต้องดูกายอยู่ทั้งเหนื่อยหนในกายจนไม่ติดกายปล่อยวางกายทุกข์มันเกิดขึ้นในขันธ์หน้าในจิตเราก็ต้องฝึกสติให้รู้เท่าทันความคิดอารมณ์อยู่ทงว่ามันดับแล้วความอยากมันไม่ทํางานแล้วมันเฉยมันเป็นความจําเป็นเท่านั้นเนี่ยเมื่อนั้น่ะ สติปัฏฐานปรากฏแล้วมันบานขึ้นมาแล้วนี่จิตเราก็ไม่ไปไหนนะมันจะเดินตามรอยรอยดอกบัวคือไปที่ไหนก็เหมือนมีดอกบัวมารองรับก็คือสบายอกสบายใจจิตไปทั้งไหนก็เป็นสุกโตสุกโตสุกโตไปดีไปงามนะไม่ใช่ไปแล้วติดอารมณ์กลับมาบาดเจ็บกลับมาคุยกับใครพูดกับใครกตี๊ดอารมณ์เป็นทุกข์อันนั้นไม่ใช่ละมันไม่ได้ไปตามมรร มักสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปวัจจาเห็นชอบเห็นชีวิตนี่เป็นอย่างนี้เห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเห็นแล้วเห็นแจ้งแล้ะนั้นเวลามันคิดอะไรก็คิดตามที่เห็นแจ้งสัมมาวาจาพูดอันไหนไม่จําเป็นก็ไม่พูดแล้วอันไหนไม่ไม่สมวางละสัมมากรรมันตะกรรมันตะการงานชอบนั้นไปทําการทํางานอะไรก็ตามมันจะเลือกเอาการงานที่ไม่กระทบกับชีวิตตัวเองนั้น เขาจะมีว่าคนปฏิบัติธรรมแล้วเขาจะมีมิจฉาวานิชามิจฉาอาชีพที่ไม่ควรทำหนึ่งขายตัวฝั่งนีเนี่ยนะญาติโยมมาปฏิบัติธรรมแล้วกลับไปห้ามขายตัวนะขายตัวตั้งแต่ขายตัวธรรมดาจนกระทั่งขายตัวเพื่อแลกกับตําแหน่งหน้าที่การงานขายตัวเพื่อทําลายวัฒนธรรมสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีอย่าว่ามีขายตัวนะันี่พวกเราเนี่นะ มันทำอยู่ทำโดยไม่รู้ไงงั้นกลับไปก็เริ่มละเอียดขึ้นรู้ห้ามขายอาวุธท ห, หารทหารเครื่องศัตราอาวุธถ้าเป็นญาติโยมบ้านนอกก็เหมือนกันนะห้ามขายข้องขายหเหวขายเหวพวกนี้เสาเด้อแหลมแท่งเย็นมันนี่ก็เ้าไม่ให้ขายอย่าไปขาย ห้ามขายขายเครื่องมือดักสัตว์อย่าขายยาพิษอย่าขายอย่าปิษโยงคนหนึ่งใจเชียงใหม่โทรมาว่าหลวงตาขายที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นบาปนะเนี่ยมันคิดไม่ได้เลยถ้าคิดแล้วมันไม่ตกนะอย่าไปขายบอกเขาอย่าไปขายยาฆ่าสัตรูพืชมันรู้สึกเป็นทุกข์เหลือเกินเอ้าเป็นทุกข์อย่าไปขายเอามาบริจาคอย่าไปขายมันคิดมากขายอาวุธขายสัตว์เป็นดูดิ ขายสัตว์เป็นอาวุธก็อย่าขายแล้วก็อย่าขายมนุษย์ขายสัตว์เป็นในเวลาขายไปลิดมากนะอย่างในบ้านเราแต่ก่อนควายอยู่กับเราในควายวัวควายมู ม, มาจนตายจนตายอยู่กับเราจนตายเดี๋ยวนี้มันมากเกินนะมากเกินเดี๋ยวนี้เขาบังคับด้วยเลี้ยงหมาตัวนึ่งก็แย่ yeah. เลี้ยงหมาตัวหนึ่งก็แย่นะแย่เ <Yeah. S 1> yeah. พราะเขาต้องให้ฉีดยา เขาบังคับต้องนั่นต้อนี่ต้องเสียเงนินนะถ้าไม่มีกระยาเลี้ยงเหมือนจีนนะจีนเขาบังคับหนึ่งครอบครัวไม่มีหมาหนึ่งตัวขึ้นทะเบียนเข้าสมโนครัวเนี่ยมันก็ยากอะ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบนั้นนะเขาจัดการไปหมดดังนั้นแก้ไขพวกไม่เอาใจใส่ไงอย่าพูดอย่าพูดเรื่องปัญหามาหมาเนี่ยอย่าพูดเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เขาไปขายอัโ น, นู้นนี่ ไม่พูดล่ะพูดสักน้อยเนาะเลิกดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่เอาอืเดี๋ยวคนโทรศัพท์มาดา่าเวลามาเอาซีดีไปฟังมันโทรมานี้โอ๊ยลงตาเทศอันนี้นะี่ยมาบ้านท่านเรศนะท่านไม่มีเมตตาเลยเนาะเลยมีนะโอ้ยปล่อยวางแล้วเอา้าท่านเทศตอนนั้นเป็นยังี้ไ อ, อ้ยก็ว่าไปงั้นแหละจบไปแล้ว ไม่รับผิดชอบคําพูดเลยนะไม่ไม่ร <c oughs> ับมันทําไมเนะี่ยพูดแ ล, ล้วก็แล้วไปเลยเนาะไม่รับมันมันทุกข์เหรอไปแบกไปหอบนะอ่ะาจารย์ก็มู่ษาดิก็บอกนะใช่มู่ษา <c oughs> โอ้พระอะไรวะพระปลอมมองจบไปแล้วก็จบไปแต่พอเราพูดแบบนี้มันก็เป็นทุกข์อีกนะมันเป็นทุกข์อีกถ้าเราไปหาเหตุนาผล ไม่ยอมเขายิ่งทุกข์มากกว่าเดิมเขาน่ะเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์นะยากลําบากนั้นเราต้องใส่ใจแล้วตัววันเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังกับกิเลสตัณหาละไอความรักเราก็รักรักไม่เป็นเรื่องกันแต่ก่อนรักพ่อรักแม่เดี้รักพี่รักน้องรักหมูรักหมาหนาลักสถาปันรักอะไรไปฝ่ายชาติปตะย์พวกนี้นะโอ้ยอย่าไปรักมันเลยอย่าไปรักมันเลย รักตัวเองเนี่ยรักตัวเองเนี่ยอย่าไปรักอย่างอื่นรักอันนี้จังรักทุกขังรักกันาตาเนี่ยอย่าไปรักสศนว่าคนมาเผาสลาวัดสมณัตนะถ้าคนไหนโกรธโง่าตายเลยนะอันทั้งหลายถ้าได้ยินเขาขรีบมานะแต่ละคนมาเผาเลยเอาเลยเผาเลยช่วยกันเผาเผาแล้วก็จบไปใครไปมันน่ะ ได้จบไปได้แต่บุญแต่กรรมเนี่ยมัน บ, บรรทุกไปไหวละใจไม่ได้มีอะไรไม่ต้องมีอะไรทําแบบไม่มีอะไรชีวิตเนี่ยทําแบบง่ายๆถ้าเราเห็นสติปัฏฐานสีมันก็เป็นแบบนี้เนี่ยเขาต้องบอกไงถ้าเป็นสติปัฏฐานสีทุกที่เกิดขึ้นอา น, นิสงส์มันมีอยู่สี่แบบอันเนี้ถ้ามันทํามันจะทํางานอันนี้หนึ่งสัตตานังวิสุติยา เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเหมือนพวกเธอว่าสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ในที่นี้นะจริงๆเราจะว่าโลกนี้แหลมันไกลเกินนะในที่นี้เอาซะย่อๆลงมานะผู้มีทุดีในดวงตาน้อยมีอยู่ในที่นี้มันเป็นสัตว์นะสัตตาหนังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลาย ทุรีในดวงตาคือการมองเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิต่อโลกต่อรูปต่อนามเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าใจมองแล้วมันเป็นอัตตาตัวตนมันติดในเวทนามันเข้าไปในอารมณ์ทําไงมันยิงจะสลายพวกนี้ได้นั้นถ้าฝึกสติถ้าเป็นสติปัฏฐานนะเริ่มเห็นละเริ่มเห็นสัตว์มันกเกิดขึ้นในใจละสัตว์ประเภทไหสัตว์เดรัจฉานความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นละความตามใจก็เห็นละหงุดหงิดมาก็เห็นละเบื่อไหนไม่เห็นละ สัตว์ประเภทงูอย่างในตำราเขาบว่าคนไหนมาฟังเทศแล้วหลับตลอดเนี่ยตายไปนี่เป็นงูงูไอ้ที่พวกเธอขยะขยแขยงเนี่ยเอ้ยงูนะเนี่ยวันนี้ตรง น, นั้นโดยเฉพาะผู้หญิงแตกหนีจะเรื่องงูมันกลัวเน้นคนนอนหลับเนี่ยตายไปเป็นงูนะในธรรมบทเนี่ยเป็นงูนะงูด่างงูงูปางู โอ้สารพัดแต่จะเป็นเนะี่ยงูสิง์ก็ยิ่งแย่นะผ่านใครไปนะเขาจะซวาทันทีเนะี่ยมันไม่ได้เป็นงูนะตายเนี่ยหลับเนี่ยเขาออมหมดแหละฉั้นตั้งสติดีๆตั้งใจดีๆอย่ามันห่วงมันเงาเห็นไหมอะไรมันเกิดขึ้นในใจเราไม่เห็นสัตว์แบบไหนเกิดขึ้นก็ไม่เห็นนะฉัน้นถ้าเจริญสติปัานาสิหายเลยดวงตาบริสุทธิ์ได้ดวงตาเห็นธรรมไงเนี่ย สัตผู้มีธุลีในดวงตาน้อยมีอยู่ดธุลีในดวงตาน้อยมันก็จะหายไปเนี่ยแต่คนกระทั่งว่าเป็นมากเนี่ยอัตราตัวตนมากอัดตาอัตตาก็ปิดตานี่แหละนี่นี่โอ้อัดตานกูนี่เ่าเห็นอย่างน้อยเพิร์นบอกในีเขาเห็นมืดมืดปานกำนวยตาคักกระดวเนาะมืดแท้แท้มาปฏิบัติธรรมมันหาย สัตตานังวิสุติยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของศัตว์ทั้งหลายโซกกะปริเทวานังข้อสองนะสมติกรมายะเพื่อความดับเสียซึ่งความโศกโศกะปริเทวานังสมติกรมายะความโศกเศร้าเสียใจพี่ไรรำพันเนี่ยมีไหมในเราเนี่ยหรือเราไม่ได้เป็นเป็นเราโศกเศร้าเสียใจพี่รีพี่ไร ลำไรลําพันเนี่ยนะมันลำลีลำเล่แท้ปลอยว่างตกนจิตมันคือลำลีลำเล่ยน้องเขาแถี่ยนอเรื่องนี่เนาะคิดแล้วคิดอีกมันบ่ปลอยบ่ยยว่างจิตเนี่ยเนี่ยอันนี้แหละถ้าฝึกสติปัฏฐานสีมันทํางานอันนี้ถ้ามันไม่ทํางานนี้แสดงว่าปัญญาจะไม่เกิดส่วนมากปัญหาอยู่ในการทำงานพิสกันอยู่เลยนะโซกกะเรียวโศกเศร้าเสียใจวิไยลําพันธ์ ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความกับแกนใจทั้งหลา ย, ยทุกโคตินนาแสดงว่ามีความทุกข์อย่างเอาแล้วทุกขาเปรตตาเมื่อนาเจ้ากระทุกข์ขึ้นเก่าทุขาเปรตตามันไปแล้วยายัติสมาธิขมายะใครปฏิบัติทำเส ร, ร, ริญสถิตฐานสี่เนี่ยมันจะเป็นสภาวะที่คนทุกคนถ้าทำมาเนี่ยมันจะรู้แจ้งอันนั้นไม่อยากรู้มันก็รู้ ถ้าทำถูกนะเหมือนเรากินยานี่ยแล้วไม่อยากหายมันก็หายถ้ากินถูกเนี่ยถ้ากินถูกไม่อยากหายมันก็หายยายสะตยที่ขมายะเป็นธรรมที่สัตว์พึงรู้อย่างใน้อยเนี่ยบรรเทาใหญ่ยายสัตย์เป็ขยายออกขยายออคือทุกมันมียายสัตยที่ขมาะเป็นธรรมที่ขยายอย่างสมมติเราโกรธใครสักคนเนี่ยถ้าฝึกสตินะมันกระจายออกมันเบาบางมันซอบลงมันมันไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนนะแต่ก่อนเนี่ยปุ๊บทันทีเลยโกรธคือโกรธ เกลียดคือเกลียดง่วงคือง่วงจะตายเลยแต่พอเรามาเรียนรู้เราเริ่มรู้จักวิธียายสัตถิกรมายายมันออกขยายขยายให้มาเล็ก้น้อยลงแล้วเป็นสภาวะธรรมยายะสะคือทำรรนี่เป็นไปเพื่อการออกจากทุกข์ออกจากความคิดไงออกจากอัตตาออกจากตัวตนไงภาวะ น, นี้ถ้าทำนี้มันจะเป็น น, นันี้เนี่ยทีนี้ถ้าคนไหนเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องต่อเนื่องอันนี้สองมันเป็น น, นี่ นิพพานนะสัจจิกิริยายะเป็นการทําพระนิพพานให้แจ้งนิพพานมันแสดงว่ามันมีอยู่แล้วในคนทุกคนเนี่ยแต่เรื่องๆๆมันไม่แจ้งคือความปกติความสบายใจเนี่ยมันมีอยู่ในคนทุกคนปกติมีอยู่สบายใจกับมีอยู่มันสบายสบายรู้แต่มันมีน้อยเราไม่เราไม่รู้นะ่ะเราแทนที่เราจะประคองตัวนี้เป็นประคองไม่เป็นเพราะเราไม่มฝึกสติ นั้นเวลาเกิดไเราห ล, ลงทางดีเลยทางไปทางนี้มักเนี่ยมันไปทางนี้อยู่กับความโลงๆโปรงๆเราก็ไม่ได้อยู่เราก็ไมอยู่กับความคิดอยู่กับอารมณ์อยู่กับงุนยิดอึอดอัดนะอยู่กับความรักความจังไหลไปในกระแสรของทุกกระแสนพนิุพันธุ์คือรู้อยู่กับปัจจุบันรู้ตัวทั่วพร้อมเรากับไม่อยู่เราไม่อยู่กับกระแสรของความคิดความปรุงความแต่งทุกมันก็เกิ ด, ดอิกอ้าวพอเดี๋ยวพ่อตายเดี๋ยวแม่ป่ว ย, ยเดี๋ยวเป็นอะไรติดอารมณ์ซะอะไรเกิดขึ้นก็ตายทุกหมดะ เป็นทุกข์เป็นปรุงเป็นแต่งร่างสังขัยมันจะพูพังน้องไห้เสีย ใ, ใจจิตเนี่ยนั้นเปลี่ยนใหม่แล้วทีเนี้ยฝึกสติมาฝึกสติเนี่มาละลึกรู้ดูสองอันนั่นเองดูกายเคลื่อนไหวดูใจนึกคิดสองอันเนี่ยไม่ต้องดูอะไรแต่การได้ยินได้ฟังก็ช่วยนะช่วยเตือนไว้จิตออกข้างนอกดึงมันกลับมารู้อยู่กับปัจจุบันสติให้มีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็ อ, อาศัยอย่างนี้นหะเอาสถานที่วันนี้พายติโยมไป ตอนเย็นนะไปลดรถต้นไม้คู่ถังยี่สิบห้าใบถ้าคน่างรถต้นไมหมดสวนโอ้ยขอให้ได้บุญเยอะๆเถอะเวลากลับบ้านก็ลด่าความตายเถอขอให้ถึงบ้านถึงเรือนเถอะมีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมอเนี่ยโยมข็ยันก็ลดไว้หน่อยเถอะเพราะไม่รู้คอรสหน้าเมื่อไหร่จะมีคอรสหนึ่งก็ลดครั้งหนึ่งแสดงว่าเดือนละคร มันตาบโกคถังเหลืองนั่นหนึ่งคู่ถังใส่เลยต่อหนึ่งต้นว้าวมาใส่หลายแต่มันก็น่านเต็มแหละมันตาลืมบอกนะสองเดือนจะลดครั้งหนึ่งน่ะมันจะพอกินนะใสให้มันเยอะๆหน่อยนะเดี๋ยวมันจะแห้งแล้วก็ปลูกวาสร้างอันนี้มันดีกว่าสร้างวัดสร้างว่าแบบเนี้ยมันดีก็อันนี้ก็ดีแต่นั่นก็คือ ยังว่าเนี่ยเวลาถามนายยมนั่งปฏิบัติทำที่นี่ไหมไม่ออกไปข้างนอกเนีปยปันจุันใสร่มเงาต้นไม้พระสมัยโบราณ น, นั่นคนไหมนั่นเลือนว่างนั่นป่าชา้านั่นกองฟางจงไปตั้งกายตรงเดินจุกกลมทําความเพียรระลึกรู้อยู่กับใต้ร่มนั่นเด้อเนี่ยแล้วก็บรรลุเอาบรรลุเอาแตก่อนปัจจุบันนี้เราไม่รู้อะไรอยู่แออยู่เอ่ อ, อป้ยแล้วมันจะเกิดอะไรพระเทศยังไม่จบเลยนะโมทัสะปะควาตัว ลืมทธอคือหลับเปิดล่ะเวลาทำโยมอย่าหลับนั่งสมาธิฟังนยังไรดโอ้ยนั่งสมาธิก็หลับข้นเก็เลยโยมเอ้ยมืนตาฟังโรดเอ้าหลับนอกตื่นในได้ไ ด, ไดิเนี่ยยงว่า <c oughs> โอ้ยมีการพอลน้ำมันเมื่อยชีวิตดูดินั้นศึกษาสติปัฏฐานสี่ให้ระลึกรู้แล้วมันจะทำงานแบบอา น, นิสงส์ที่ว่าเนี่ย มันจึงจะสลายทุกที่เป็นปัจจุบันเนี้ยยิ่งคนมันมีเหตุมีผลมีคนมีไกลมีความคิดก่อนบางทีบางคนอ่านหนังสือธรรมะมาอีกต่างหากนะอ่านหนังสือมาธรรมะมาสร้างอัตตาตัวนตนสร้างเกาะกำบังตัวเองที่จะได้ปฏิบัติธรรมที่จะรู้แจ้งเนี่ยแทนที่เขาลบออกลกมานึกแล้วมาป้องกันตัวเองรู้เพื่ออะไรเพื่อมันเป็นเกาะเขาเรียกว่าปฐาปรมะปฐาปรมะก็คือดอกบัวดอกสุดท้าย คนเรียนรู้มากเข้าใจมากรู้มากจนกทั่งเป็นอัจจารตัวตนมันไม่เชื่อฟังนะ่ะมันเชื่อความคิดความอ่านมันนะแล้วมันติดอยู่กับวบบนี้นั่นคนที่เรียนรู้มากศึกษามากปฏิบัติธรรมนี่ยากยากเพราะต้องสลายตัวตนของตัวเองแล้วมันถ้ามีความรู้สึกว่าคนอื่นมองว่าเราเป็นคนไม่รู้เนี่ยมันจะแย่นั้นสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือคนที่บวชแล้วเนี่ยมาปฏิบัติธรรมจะยากมาก คนที่บวชเนี่ยเคยบวชเป็นมหสม์หากรดีหรือพระสงฆ์ข้าก็ดีที่จะปฏิบัติทํำฝึกจริงๆริงจังมันไม่ส่วนมากก็จะอยู่กับความคิดอยู่กับอัตตาตัวตนนะอยู่กับโทรศัพท์อยู่อะไรประมาณเนี้ออกไม่ได้ยากนั้นหลวงตางคิดว่าเมื่อเทคโนโลยีกับเข้ามาหาเข้าสู่วัดสุวานเนี่ยน่าจะจบต่อไปในอนาคต้มรรคผลนิพพานจะหมดแน้วมันจะหมด มันจะหายไปอ่ะเพราะอะไรเพราะจิตมันไม่มีเวกพอไม่มีเวกพอนั้นพอเราเหมือนดอกไม้เนี่ยบานสะน้อยก็ต้องทําหน้าที่ละต้องสอนละต้องบอกต้องกล่าวละเพราะอะไรมันไม่มีคนสอนต้องมาทําหน้าที่นั้นคุณธรรมมันจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสุดท้ายก็คือหมดไม่มีคนสอนสติไม่มีคนฝึกคนหัด ไปมาพอโกรธก็โกรธเราจะเริ่มเสือเส่อมลงเสื่อมลงเสืมลงมนุษย์เนี่ยจะเป็นเห็นไหมท่านทั้งหลายจะเห็นเนเด็กวัยรุ่นกรุงเทพเด็กแวน้นเด็กเว้นในพงมาเนี่ยมันจะเริ่มเป็นแบบนั้นเนี่ยไม่มีาศาสนามันเป็นแบบนั้นมันจะกัดกันมันจะมีปัญหาตีกันไปมามันก็เสื่อมเขาเรียกว่าเกิดยุคมิคสันญีาศาสนานี่ยมัม่มีผ้าเหลือมีอะไรอยู่แต่ไม่ได้ทําหน้าที่ที่เข้าไปสู่ในจิตคนนะเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้เรื่องนะ ถึงไม่มีศาสนาพุทธอยู่แต่มันไม่เข้าไปเพออราะเยยิ่งานานไปนั้นไปปรมัตรธรรมมันเสื่อมเหลือแต่วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยวัดวาอาวาสก็ไว้วให้หาเงินเนี่ยประมาณเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยเอาไว้โปรมโมทโฆษณาขายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโน้น เ, เรื่องนี้ไปมันไม่มีอะไรแล้วเราคิดดูที่ลูกหลานเราถึงจังหวะนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะไม่ฆ่ากันเองหรือไม่กัดกันเองเหรือ มันจะไม่เป็นฝักเป็นฝ่ายเหรอพ่อกับแม่จะเป็นยังไงเนี่ยขนาดเดียวนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะพ่อกับแม่กับลูกลูกสะพ้ยพ่อปัวแม่ปัวแม่เมียศาสนาพระสองฆ์เจ้าวัดวาวัดรับประกันได้เลยอีกสามปีห้าปีเจ็ดปีมันจะมีเรื่องนี้อยู่เนี่ยมันยากนะอย่างปัจจุบันเนี่ยท่านทั้งหลายอยู่คนละจังหวัดนะ่ะกรุงเทพ เชียงรายสงขลาต่างประเทศที่เรามาปฏิบัติธรรมมาจากตราดเนี่ยไปจวบเนี่ยเราข้ามมาเท่าไหร่เนี่ยเพราะเราเลไไปสเสวงหาคนที่สอนสติปัฏฐานนี่แหละอย่าไปฝึกไปหัดเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายเท่าไหร่นะ น, นั้นในอนาคตเนี่เรามองว่าสินค้าหรือสัติธรรมที่มันมีอยู่ในน้อยอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์เนี่ยมันจะอยู่นานแล้ว มันจะเสื่อมซามลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่ยๆแม้แต่เราสอนกันแบบนี้เหมือนสอนจริงจังแต่เนื้ะฮะเดียวกันถ้าคนไม่ได้รับผลประโยชน์คือมันไม่เกิดสัจะทําขึ้นมาในใจเนี่ยแล้วมันจะสืบทอดอะไรกันเนี่ยมัน เ, นเป็นไปด้ววัฒนธรรมยกมือสร้างจังหวะเดินจุ ก, กรมสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนอยู่นั่นแหละนะแต่ว่ามีคนกี่คนเนี่ยที่ปฏิญาณตัวเองว่ารู้ตามหลวงพ่อเทียนแล้วเข้าใจดับทุกข์ได้แล้วเนี่ย มีกี่คนที่จะมายืนยันคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีจริงเป็นจริงเนี่ยได้รับผลได้รับบรนิสงนั้นถ้าไม่ทำจริงก็จะไม่ได้สติประฐานจริงจริงสติประฐานจริงจริงไม่ปรากฏเกิดขึ้นมันก็ไปดับทุกข์ไม่ได้จริงๆต่อไปมันก็ได้แต่เป็นเพียงเรื่องเล่าไ้ปฏิบัติธรรมฉันก็เคยฝึกมาฉันก็ปฏิบัติมาเนี่ยมันจะมีแต่วัตถุสิ่งของเกิดขึ้นนะ นี่แต่สิ่งปลูกสร้างโตขึ้นโตขึ้ น, นเป็นสัญลักษณ์เป็นในแต่สัจธรรมก็จะดับลงดับลงดับลงมอดลงอะมันเป็นการเดียวกันนะเหมือนทั้งโลกไปชอบยินดีภูมิใจในวัตถุนิยมเนี่ยเด็กจิตเขาก็จะต่ําลงต่ําลงต่าลงเมื่อไหรก็ตามในตัวเราเนี่ยเต็มไปด้วยกิเลสซ่อนอยู่นะกิเลสมันซ่อนอยู่ในรูเราเมื่อไหรก็ตามที่มันซ่อนอยู่เนี่ย สัตย์จะทําจะทํางานลําบากคือจะรู้สึกตัวซะหน่อยก็ไม่ได้ต้องเปิดนาฬิกาละต้องเปิดมือถือละต้องนั่นตรองนี้ละอยู่แบบนี้เนี่ยมันจะยากนะเวลามาปฏิบัติธรรมก็มีอาหารต่างหากเก็บไว้กินข้าวที่นี่ก็ต้องไปกินไม่ต่างหากอะไรอยู่มาเนี่ยเอาเราจะเอาปัญญามาจากไหนเนี่ยมันยากคือต้องทวนกระแสนี้แหละนั้น เราทบทวนวันนี้ก็ถามว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราได้สติปัญญานกันหรือยังสติปัญญาคือสติที่อยู่กับฐานเนี่ยสติปัญฐานกายสติปัญฐานจิตมันอยู่กับกายได้หรือยังอยู่กับจิตได้หรือยังกลับไปเนี่ยมั่นใจเหลือว่ามันจะไม่หลงรูปหลงนามมาเนี่ยไม่หลงกายหลงใจเนี่ยยากนะนั้นมานี่ก็เรียกร้องให้ทําจริงๆจังจัง ทำหนดรู้ท่านบอกว่าเอา้าความเปลี่ยนแปลงมันวันนี้ทําไหปหลายพวงนี้ก็ทํำอีกพวงนี้ทําไปหลายกวันต่อไปทําอีกหรือเรามาปฏิบัติธรรมนี่เราก็ได้ความรู้ความเข้าใจในวิธีฝึกหัดปฏิบัติธรรมกลับไปบัตรไปทําต่อไปลึกๆต่อไปทําต่อไปสารต่อเพราะว่ามันไม่ได้ทุกอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดไม่ได้ทุกอะไรเลยข้าวเขาก็มาให้กินนอนเขาก็ตีละครังปุ๊กเนี่ย มานั่งในนี้หลับเขาก็เตือนกินมากกินน้อยประคอเงเอาถ้ากลับไปบ้านหลัะตามใจกลับไปบ้านมาตามใจนะอยา ก, กินอะไรกูก็กินอย่างนอนเวลาไหนกูก็นอนอยากคิดอะไรกูก็คิดอยากดูอยากเที่ยวอะไรมันไหลหรือทำเกษตรแล้วจะเอาสติมาโตตอนไหนนะเดี๋ยวคนว่ามันไปไปฏิบัติทำมาแล้วมันก็คือเกา่าเนี่ยคือเกา่าผมมีอย่างดีขึนมนะัน ออไม่ดีขึ้นแล้วสติมันยังไม่เป็นสติปัฏฐานที่วัดนี่ก็ยังออกไม่เป็นยังไม่ออกเป็นตัวเป็นตนเอย่างเราเจริญสติเนี่ยเราเรียรู้มันเหมือนเอาเมล็ดพืชความรู้สึกตัวเนี่ยเอาเมล็ดพืชมาแล้ ว, ลวเราลงดินเราสังเกตดูลดน้ําพวนดินนะพวนดินทําให้มันโตขึ้นมันงอกให้ได้มันเหมือนเมล็ดถั่วเนี่ย ลูกน้ำเป็นเนี่ยลงดินสร็จปุบมันมีวันดีขึ้นดีเวลาทำเนมันก็จะงอกแต่ว่าการงอกของลูปน้ำเนี่ยมันเหมือนเหมือนเหมือนเอาเม็ดถั่วไปตากแดดเนะนี่ยเช่นน้ําเราไปตากแดดยิ่งมันชุ่มมากเนี่ยเวลาไปตากแดดมันยิ่งดีดตัวแรงนะมันถูกแดดสะพันแต่ป้อการรู้รูปรูปน้ําก็จะปรากฏไปแล้วอ๋อรู้แล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้ มันงอกแล้วมันงอกแล้วเนี่ยมันงอกแล้วแค่ว่าเห็นธรรมะและ้วเห็นธรรมะคือเห็นการเกิดดับในรูปน้ำนั่นแหละเห็นความคิดมันกระดับเนี่ยนความคิดมันกระดับมันปรุงแต่งกระดับได้เร็วๆขึ้นแล้วทุกข์มันไม่ทำร้ายเราความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นเอาเห็นเริ่มดับได้ดับได้เนี่ยเริ่มเห็นธรรมะและเริ่มมีดวงตาเห็นธรรมอือเราไม่ได้เกี่ยวนะยามปฏิบว่าทําจะเกิดไม่เกิดจะตายไม่ตายไม่ได้สนมันอันนั้น แต่เราเห็นปัจจุบันขณะชีวิตเราคือเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะฝึกอันนี้ชีวิต น, นะกกนกกนเนี่ยใครจะฝึกก็ําไม่ฝึกก็ตามนะไอ้เรื่องประเพณีวัฒนธรรมอะไรเรื่องของเขาอนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสัจธรรมมา น, นี้เราต้องการเอาชีวิตเราคืนมาที่เสียไปที่ไปอยู่กับความหลงอยู่กับโมหะเนี่ยนั้นใครจะมาฝึกก็มาไม่มาฝึกคพัดก็ไม่ได้ไปทุกข์อะไรนะไม่ได้ทึกว่าเออศาสนามันจเจริญไม่จเจริญอยากเแลียไหม นะฮะแล้วแต่นะมากก็ได้ไม่มากก็แล้วแต่เป็นเรื่องของคุณนะมาเราอยู่ได้ไม่อยู่ได้ก็ได้อยู่ไม่ได้ตายก็ได้ก็ไมนไม่มีอะไรอ่ะแต่คนไหนรักชีวิตอยากมีชีวิตที่สะอาดผ่องไสอยากมีสถานที่ฝึกฝนก็มาฝึกนะะก็ตั้งออกตั้งใจทํา พ, พัฒนามันขึ้นแต่เห็นว่าชีวิตนี่ยังกังก้าวเดินไปไกลถ้าไม่ฝึกวันเนี้เราจะทําไงอ่ะต้องฝึก เราทั้งหลายมานี่มาฝึกสติปัญญาต่างคนก็นต่างฝึกนะดวงตาก็ะหายนกำลังใจเดินไปดูคนนั่นบ้างคนนี้บ้างอแต่ก็ดีนะไม่ค่อยเห็นคนหลับนะไมเห็นคนหลับเขาคิดว่าท่านอะไรตั้งใจนั่นแหละเอ้ยยกเครดิตให้ท่านอาไรตั้งใจนะตนตตจนะแต่ยังมีบ้างที่พูดคุยกันบ้างไม่สํารวม ความอดทนมันน้อยแต่ยังก็ตามนะ่ะฝึกฝนไปไหวทำได้เท่านี้ก็ถือว่าดีละดีละดีแล้วอ้าวคะแนนเต็มร้อยมาปฏิบัติงวดนี้หลวงตางให้ไปสักไม่รู้ให้เท่าไหร่ประเมินไม่ได้นะประเมินไม่ได้หลายคนก็ดีนะบานะงคนก็โอ้ยหลวงตางว่าไม่มีไม่ดีก็ดีเหมือนทุกคนนั่นแหละบานะงคนก็อยากกลับบ้านอยากกลับบ้าน ขอร้องนะวันพรุ่งนี้กลับซะคนที่อยากกลับนะกลับซะวันพรุ่งนี้เนะี่ยมีแต่จะกลับจะกลับร้นตนว่าพรุ่งนี้เนี่ยล้องตาจะพาไปเที่ยวนะ่ะถ้าใครอยู่นะล้นตาเหมารถไว้แล้วไ ป, ไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยมี่นะอยู่อีกก็ได้เอา้าแต่พอปฏิบัติทำแล้วไม่ได้แต่เพราะว่าจะไปเที่ยวหรอไปทางไหนเนี่ย คนเราเน่ะคนเรามันก็เป็นแบบนี้แหละนั้นใส่ใจเถอะนะกับชีวิตอันนี้เรามาใส่ใจเถอะฉีดชีวิตชีวิตเรามาฉีดวัคซีนทุกนะวัคซีนสัจธรรมให้กับการเห็นแต่ก่อนเราอยู่กับสมมุติเดี๋ยวนี้ฉีดวัคซีนสัจจะเข้าไปชี้เข้าไปตัวสมมุติก็หายไปเนี่ยนะมันก็หายไปไปมีแต่ตัวสัจจะล้วนปรากฏเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันก็สบายเลยไปใช้ชีวิตน่ะ จะให้มีแบบนั้นะทุกเหตุแล้วทุกทุกเพราะอะไรทุกทางกายก็ปล่อยวางได้แล้วแต่ทุกทางจิตมันยังคิดอยู่นั้นก็ต้องมีสติละต้องเป็นสติปัฏฐานพอมีสติปุ๊บเลยลึกรู้อทุกเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้ทุกเกิดขึ้นเพราะตัณหาสามเพราะความไม่รู้เราก็มาทํารู้ซะเเหตุมันคือไม่รู้ที่มันทุกมันอึดอัด มันปรุงมาแต่งเหตุคือมันไม่รู้สมุทัยเนี่ยคือมันไม่รู้นั้นเรามาทําให้มันรู้ซะไอ้ตัวรู้คือมรู้บ่อยๆนี่ยเป็นมรมรบ่อยเข้าบ่อยออกมามันก็เป็นผลเกิดการรู้แจ้งเนี่ยเป็นนิโรธสภาวะก็อยู่ประมาณเนี้ยแต่ว่าพูดเนี่ยไม่ถึงนาทีแต่เวลาปฏิบัติทํากว่ามันจะเป็นในวังทีเป็นปีนะเป็นเดือนเป็นวันแต่ยังไงก็ตามนั่นก็คือชีวิตเรา ชีวิตของเราถ้าเราไม่ฝึกฝนเราจะไปทำยังไงล่ะไปท่องสวดมนต์เหรอท่องสวดมนต์ก็ไม่ใช่กันดับความคิดไม่ใช่ดับกิเลสมันเป็นสัมมาทัศ ส, มมสมามันก็ได้นะแต่มันก็ได้แบบนี้ก็คือสบายใจสักน้อยแต่มันก็ไม่มีอะไรขึ้น เย็บไข่เด้ป่วยที่เอามาเอาให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวดเขาเก่าขวัญวันนอนโยมมือสีสียี่สีมือหนีเมนมือดีเอาอยู่พ่อป่านั่นมันก็บอกเขาเลยเนาะสีสีสีสสมาจากวัาสีอีมาจากสตินั่นแหละขวัญก็คือกําลังใจเนี่ยให้กําลังใจมาเด้อกําลังใจเป็นการเรียกเอากําลังใจเอาขวัญมาแต่มันก็นสีบอมากัานเอาบ่เข่าใจมัน่ะ ั่นก็ไปสะดะเคาะสะดอใส่เคาะมันอยู่ใส่สะดออะเคาะก็เห็นบ่เนาะพระหาพระพระพุ่ธก็เคาะไปนนนนนเนี่ยท่านเคาะเนี่ยเคาะหัวเนี่ยท่นบอกว่าอา้าวชีวิตคนเนี่ยเหมือนยาคานี่นะยาคาเนี่ยมันเป็นญาที่ตรงมากที่ซื่อมาตรงมากน้ําก็คือน้ํำมน้นําใจเนี่ยน้ําเกิดจากยาคาสักเกียวนะ ยาคาเนี่ยเอาน้ำจุ่มลงไปในน้ำมันไม่ติดน้ำนะสะบัดพุกก็หนอกไปดีนะยาคาเน่ามีไหมไม่มีอ่ะมันตั้งในน้ำไม่จับมันนะขมก็ขมแหลมก็แหลมนั่นจิตของคุณต้องมีความแหลมควา ม, มขมเขาบอกแต่เราก็ไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจไม่สงไม่ลึกลึกรูกก้มันก็เลยลดน้ำมนต์กี่รอบเท่านั้นนะมานอกเนี่ยเขาจะมีกระทงเราวจากกระทงนะกระท ง, นะงเนี่ยจะมีคนปลอมๆอย่างนั้น ทำเป็นรูปเป็นคนแล้วเสียบเอาเข้าวดำข้าแดงใส่มีไฟข้าวขาวดอกดําๆ น, นั่นเองมาทําพิธีนะแล้วเขาแทงกระทงเนี่ยตัดไปตัดมาเขาเรียกว่ากระทงห้าขันมีกระทงห้าขันกับกระทงหน้าวัวกระทงหน้าวัวก็คือมันเป็นสี่เหลี่ยมนะสามเหลี่ยมกระทงหน้าวัวเนี่ยเขาเรียกวกระทงไตรลักษณ์สติสมาธิปัญญา หรือกรรมกิเลสวิบากเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันวนไปวนมาอย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้แต่คนไม่เข้าใจความหมายกระทงเขาตัดเขาแทงเขาไปมีอยู่ห้าขันเขาเรียกว่าขันหนะ้านันชีวิตเราก็อยู่กับขันห้าแล้วก็มีเอาคนนี้เอาเอาขาดําเอาแดงใสคือคนเราวันห น, หนึ่งคิดหลายเรื่องมีรักมีชังมีโกรธมีเกลียดคิดเหลืองคิดขาคิดดาคิดแดงนะะเอาใส่แล้วข้างบนเขาจะมีไฟเขาขาวเขาอยากให้ใจคนแบบนี้นะ โยงใหญ่อยู่ในนี้ให้มันอยู่เหนือแล้วมีฝ้ายขาวๆอยู่ข้างบนดอกฝ้ายต้องไปหาซื้อดอกฝ้ายมาใส่นะมาเรื่องจะได้ฉนั้นอยากให้ใจมันเขาเขาใจเข้าเข า, ข า, ขาอยู่ข้างบนไอ้ร่างกายเป็นแบบ น, นี้กายนี้เหมือนพระพุทธเจ้าบอกกายนี้เหมือนก้านกล้วยเหมือนกับกล้วยเหมือนกระทงกุบพังเรื่อยๆเรืยๆมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วมีเวทนาสารพัดแต่จิตต้องอยู่เหนือเขาบอกเนี่ย เขาก็มาทําพิธีแล้วพ่ะะริตวานาเมตังสมตตาปัตป ต, นตานวิกิตจิตาก็คือคําพูดของพุทธาแปลออกมาแล้วก็คือฝึกใจเดอ้อฝึกใจเด้อนั่นแหละแต่เราไม่เข้าใจนื่ว่าเขาวบัศดรเคราะห์สาธุเสร็จแล้วเออให้ทุกข์มันตกไปเด้อคนที่เอาไปก็คือใครอ่ะคนที่มาสวดก็คือพวกที่ศึกไปนั่นแหละมาบวชมันศึกไปมันได้คําพูดมันก็ไปพูดหากินเนาะตามเรื่อง กระทงนี้กิเลสออกแล้วให้เอาไปทางที่ตะวันออกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกออกไปแล้วเนี่ยวิ่งก็มาไหว้เรื่มพราะเข้าใจจริงทั้งที่ตะวันตกผิดอยังว่าพ่หมอว่าเป็นอย่างเขาถือว่าทุกตกไป <c oughs> มันมีไม่มีผิดซากอันนะคนมันพูดเอาไงมันก็ต้องทุกมันก็ต้องออกดิเดี๋ยวทุกนั้นทุกนี้ก็ไปไหว้พระธาตุไหว้พระธาตุไหว้พระบาทไหว้นอนไหวนี่ซาละพัตเตจจะเป็นน่ะ ต่อไปเนี่ยเราสังเกตดูนะการไหว้พระธาตุไหว้พระบาทไหว้นู่นไหว้นี่ไหวอะไรจำลองอะไ ร, ะไรประมาณเนี่ยจะมากขึ้นคนจะมากขึ้นเพราะการศึกษามันสูงเพราะการศึกษามันสูงเนี่ยมันบ่งบอกถัอว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องจิตใ จ, ใจภายในเนี่ยมันจะเรียนเรื่องข้างนอกพอเรียนเรื่องข้างนอกมันก็ต้องพึ่งสิ่งที่อยู่ข้างนอกตัวยิ่งเรียนสูงเท่าไหร่มันก็ยิ่งงมงายมากยิ่งเรียนสูงเท่าไหร่อัตราตัวตนยิ่งเยอะมากน่ากลัวน่ากลัวนะ ี๋นี้ปัญหาสังคมเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะคนโง่บ้านนอกทํานะเบื่อวัยบ้านเมืองอยู่เี๋ยนี่เพราะในเมืองนะทำเนะี่ยเพราะคนมีการศึกษานะที่มีปัญหาอย่างเนี่ยมาแบกรับนี้สินบ้านนอกทํานะ เ, เนี่ยเนี้บ้านนอกรับไม่ใช่บ้านนอกทนะําะในเมืองทําไล่มาจากโน่นแล้วคนในเมืองน่นแล้วนั่นใส่ใจนะกับชีวิตเนี่ย ศึกษาเธอเรียนรู้เธอแล้วเราจะเป็นคนมีตาสองลูกตาสองหน่วยมีตาสองอันน่ะหนึ่งตานอกสองตาในามีสองอันคือความรู้ทางโลกเราก็มีความรู้ทางธรรมเราก็มีมีสองอันทางโลกก็สามารถประคองเลี้ยงกายนี้ได้แต่ทางธรรมก็เห็นแจ้งทางจิตชีวิต จะมีความสุขอะไราปานนั้นน่ะถ้าคนเข้าใจชีวิตเนี่ยยังไม่สายแก่มาปฏิบัติธรรมก็ไม่สายนุมป่านนี้มาปฏิบัติธรรมก็ไม่สายขอแต่เรียนรู้และยันนี้จากเส้นทางอันนี้เส้นทางของจิตเนี่ยเส้นทางของกายก็ทําไปตามเรื่องมันแต่เส้นทางของจิตเนี่ยยันนี้จากฐานในนี้ยันนี้จากฐานในนี้ฐานกายฐานเวทนาเนี่ยยันนี้จากฐาน อย่านี้จะกฐานจิตความคิดอารมณ์อะไรอย่าหนีจากฐานนี้ดูมันไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆอย่าไปใส่ใจคนข้างนอกหลายคนข้างนอกก็ไม่ได้ให้สุขให้ทุกข์เราเป็นหรอกตัวเราเองนั่นแหละสุขทุกข์ก็เกิดจากตัวเราเองเกิดจากการหลงไงนะหลงเข้าไปในอารมณ์เพราะอะไรเพราะไม่มีสติเป็นตัวดูแลจิตสติมันไม่ได้เห็นจิตจิตมันรับอารมณ์ปรุงแต่งอะไรเราไม่เห็น ดังนั้นการปฏิบัติทำจึงเป็นการรักษาจิตตัวเองรักษาไม่ให้ออกไป<ม>กเรียกอนุรักษ์รักษามันอนุรักษ์รักษาอนุรัก ษ, ก ษ, กษ์ขณประทานสังวรประทานถ้ามันยังไปอยู่ก็รู้จักสำรวมสำรวมระวัง<ม>ถ้าสำรวมแล้วมันยังไม่อยู่ภาวนาภาวนาคือเฝ้าดูมาเลยสำรวมคือเฝ้าไว้แต่ถ้ามันยังไปอยู่ ดันมันเข้าไว้ในบ้านใส่กุญแจล็อกไว้สอนมันทีนี่สอนหมายว่าเนี่ยให้มันเข้ามาในกายเราไม่ให้มันออกหงแต่ก่อนสํารวมมันไม้พอเอ้าเอามันเข้ามาอยู่ข้างในแต่ลึกรู้ตั้งใจเฝ้าดูดูดูดูดูดูดูดูต่อเนื่องอบรมบ่มนิสัยมากเข้ามาคเขามขัมันก็จะปล่อยวางอ่ะมันก็จะเกิบอาเจียนอ้าเลิกเลิกว่าไปก็ได้เลิกแลหลายคนอบรมครั้งเดียวน่ะกลับไปนี่เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยในี่ยบางคนเนี่ยเพราะอบรมเน่ะกิเลสมันออกไง เลวลาเราทำนี่กิเลสมันออกมันก็สบายเลยกลับไปก็สบายชีวิตเนี่ยเริ่มดีขึ้นโอ้ผู้นั้นไปกลับมาไม่เป็นเหมือนผู้นี้เนาะเอามันไม่ออกกิเลสมันหนานแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะถ้าเขาทําอีกมันก็เป็นไปนได้มันก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น่ะ ใ, ใจเนี่ยไม่ใช่ปลูกเสกวันหนึ่งมันจะดีมีน่เดี๋ยวเนี่เดี๋ยวไป ท, ทําพิธีปลูกเสกเทลาพิเศษพุทธาพิเศก ส่วนเหรียญส่วนนั่นสวดนี้ในอนาคตนี่จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเขาเรียกว่าสัจธรรมปฏิรูปความปลอมปนของธรรมะเนี่ยจะเริ่มมีมากขึ้นความหลากหลายในการสอนแบบประยุกต์เนี่ยมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่เรื่องการภาวนาจริงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอ้าวปฏิบัติธรรมอะไรล่ะ ก็เสริมเข้าไปนะคอร์สนี้ก็เป็นแบบนั้นแบบนี้เข้าไปอีกทำแบบนั้นไเนะียแบบนี้เป็นเน้นที่เรื่องข้างนอกเรื่องการกินการดื่มการออกกําลังกายนเนี้ยการรักษาสุขภาพอะไรเนี่ยมันไปไกลตัวนะมันยากที่จะเห็นเรื่องจิตเรื่องใจนั้นอุชุปฏิบโนเอากันตรงตรงเนี่ยน้อยแต่เราก็โอ้คนมันหลากหลายเนาะยินรียไม่เหมือนกันได้จะทําให้เหมือนกันเลยคงไม่ได้ประมานะ้ ก็ปะครองไปอา้าวนนั้ น, น, นเราก็ต้องมีดวงตาแนละ้วเลือกเอาซะเราเนี่ยจะเอาแบบไหนเนี่ยจะรักษากายรักษาจิตความคิดอารมณ์จะปฏิบัติน้อยหรือเน้นปฏิบัติมากเน้นพักผ่อนนะมีมดเลยประเทศไทยมีตลาดกรรมฐานเนว่าเราฝึกได้เลยเอาอยัางไงก็เอาเพราะชีวิตนี้ของเราของเราเองเรามีเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิต พอเราสิ้นเงื่อนไขของความรู้สึกว่าเป็นชีวิตของเรามันเป็นธรรมชาติเราก็เข้าถึงธรรมตอนนั้นแ่ะเข้าถึงธรรมตอนที่คืนนี่ก็ธรรมชาติแล้วเราไม่ยึดมั่นถือมันละเป็นธรรมดากายนี่ก็ของธรรมชาติะรูปรกจิจเสียงธรรมชาติตาหูจมูกนิ้วายใจมันคืนเป็นธรรมชาติละไปสู่ความเป็นธาตุเป็นขันละเสียงขลุ่ยมันวิ่งกับไปหากอไผ่ละจบแล้วชีวิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติหมนแล้วนั้น มาอยู่ที่นี่วันนี้วันสุดท้ายนะจากวันที่หนึ่งมกราห้าห้ามาถึงเจ็ดแปดมกราห้าห้าห้าท่านทั้งหลายก็คิดว่าคงเจ็ดมีภูมิกับไปบ้านอยู่ละมั้งนะมีภูมิแบบไปบ้านกลับไปนี้ถ้ายังไงถ้ามันยังไม่ดีขึ้นเราก็นะเจ็บคข้เจ็บหลังปวดเอวอะไรก็ฟื้นเอาหน่อยนะ ไปทำงานด้วยยิ้มแย้มจําใสไม่ต้องเวลาต่อพักผนะ่อนนะรับนี่ยมันจะกะปี้กระเป๋าเลยเชื่อเถอะพอออกจากประตูวัดท่า น, นละอ้ยสบายดีมากมากเลยอะขอจะออกพ้นประตูวัดนะอลากันทีลากันที น, ทนะนะอย่าได้เจอเจอกันเลยหลาบแล้วนะไม่ น, นะ ไม่ไท่านออกไปท่านจะรู้สึกว่าอไปเจอทุกเนี่ยท่านจะรู้สึกมันเบาบางขึ้นนะ่ะเฮ้ยไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็ทบปุ๊บกูเจ็บนะ่ะอึดอัดนะ่ะเขาเติมมากูต้งคืนนะแต่ก่อนแต่ออกไปรู้สึกมันเบาบางมันสบายสบายสบายท่านจะเริ่มเห็นผลเห็นอา น, นิสงมาละท่านไม่รู้ท่านปลูกต้นไม้เนี่ยปลูกเล่นเปลูกเล่นเลไปเล่นเล่นไปแต่พอวันหนึ่งแดดมันออกมาอา้าวท่านกลับไปหลบร่มเงามไาป น, นั่นแม้ท่านเห็นยังไม่ได้กินลูกมันก็ตาม อ่ได้ประโยชน์แล้วนะอยู่ด้วยมันไปสักพักหนึ่งมันก็ออกลูกออกดอกออกผลมาเนี่ยชีวิตก็เป็นแบบนั้นแนะถ้าถ้าตั้งใจทำนะไม่มีคําว่าไม่มีผลเนี่ยมีเอสเหน่ยบางทีมันกําลังเป็นดอกบางนั้นมันโล่งๆโปร่งๆไปทําต่อให้มันเป็นลูกซะไปให้มันติดลูกซะเหมือนพวกชาวสวนทุเรียนเขาพ่นโอ้ยมันออกดอกเยอะแยะแต่เวลามจะเป็นลูกเนี่ยมันจะเป็นลูกหนึ่งเก็บไว้อนี่ก็เหมือนกันไอ้รู้สึกตัวไอ้นั่นก็รู้อันนี้ก็รู้ เราเลือกเอาตรงที่มันดับทุกได้นั่นแหละนะอันได้ฟังนี่ก็เป็นดอกนึงนะอันได้ยินได้ฟังอันชอบวันนั้นชอบวันนี้มันดอกหนึงเบาเบาบางๆนั่นแหละแต่ดอกแท้ๆที่เราเก็บไว้คือดอกที่ดับทุกนั่นแหละเวลาไปอยู่ทั้งโลกเนี่ยปัญหามันจะเกิดอันนี้ขึ้นขึ้นวิทยุชุมชนนะที่มันรบกวนอยู่เนี่ยบางวันมันออกเป็นเพลงมาเลยนะเทศอยู่ดีๆเฮ้ยลงตาควัเพลงไม่ใช่ใส่ใจนะ ชีวิตนะหวังว่าอหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะรู้ทำเห็นทนะจะได้ในองตาเห็นทำในชาติเนี้ยในชีวิตนี้คงจะเห็นนะหวังว่าท่านทั้งหลายจะมีความเพียรความพยายามหวังว่าสติท่านทั้งหลายจะโตขึ้นหวังว่าสัมมาทิฏฐิท่านทั้งหลายจะยืนยาวนาน หวังว่าการรู้ยิ่งเห็นจริงในสรจธรรมจะปรากฏกับท่านทั้งหลายในเวลาก่อนตายเนี่ยมีสติปัญญาต้อนรับยมมทูต ท, ที่เขาจะมาเอาแก่มากัรับได้เจ็บมากัรับได้แม้่อตายก็ยินดีเช็คแห่กับยมมาทูตไปด้วยกันได้เลยอนุโมทนาสามทุ่มแล้วแล้ว มาพระเสมสมบูรณพะกวนอุดังพระันฑังอภิวาทิมี สวกาโตภะวตาตัมโมธรรมนัมมารสมามิสุปฏิปโนภะวัโตสาวกสังโฆสังฆนัมมิ